อยะต่อไป <c oughs> สนทนากันต่อในเรื่องของคุณสมบัติหลักของบุคคลที่เป็นพระโสดาบันหรือบุคคลที่ปรารถนาจากเป็นพระโสดาบันหรือจะบรรลุเป็นพระริะนี่นะก็คือท่านพูดถึงในเรื่องของตัวคุณธรรมห้าประการพูดถึงเรื่องของศรัทธาความเชื่อมั่นศีลคือการสัมรวมกายวาจานี่แหละ สุตตะนี่คือการสั่งสมข้อมูลจาคาะและก็ปัญญานี่เป็นคุณสมบัติสำคัญของอริยส า, าวกนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสเน้นเสมอเลยเนี่ยฉะนั้นในเรื่องของคุณธรรมทั้ง5ประการเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปทาบ้างบางทีเขาเรียกว่ารับ้างแห่งก็จะเรียกว่าอริยวัรอริยวัตฉะนั้นข้อแรกก็คือพูดในเรื่องของศรัทธาลักษณะของศรัทธาเนี่ย พระเรว่วิเศษลักษณะเรื่องคณะเจตุกาเนี่ยปรมาณจากคาว่าสัทธานารักษนาวาโอกับ ป, ปนารักษนาหมายความว่าอะไรมีความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะตัวก็ศรัทธานเนี่ยนะนั้นความเชื่อก็หรือมีความเชื่อที่ดิ่งลงเป็นลักษณะก็ได้อันนี้ปักใจลงเลยเนียไม่ใช่เชื่อธรรมดาเป็นการปักใจลงเลย ก็หมายความว่าความเชื่อที่เป็นศรัทธาเจตสิกเนี่ยจะต้องเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลตามความเป็นจริงไม่ใช่เชื่อที่เป็นไปด้วยความงมงายถ้าเชื่อหรือปรักใจเชื่อแบบงมงายอันนั้นไม่ใช่เป็นลักษณะของศรัทธาอย่างเช่นอธิโมกที่ประกอบไปด้วยโมหะอย่างนะี้ประกอบไปด้วยอกุศลนี่ก็มีความเชื่อเหมือนกันแต่ปักใจเชื่อแบบมีความงมงายดิ่งลงนนั้นคนละเรื่องแต่ศรัทธาในที่เนี้ยใน บุคคลที่ฝึกฝนตนเองในการที่จะเป็นพระรีบบุคคลระดับต้นๆเนี่ยจะต้องเป็นศรัทธาที่เชื่อที่เป็นไปกับเหตุและผลตามความเป็นจริงส่วนความเชื่อที่ไม่เป็นไปกับเหตุผลด้วยอานาจแห่งอธิมโมกข์นั้นประกอบด้วยโมหะเขาเรียกว่าการปองใจเชื่อด้วยอานาจของความงมงายอันนี้ไม่นับหรือไม่เรียกว่าเป็นศรัทธาเขาเรียกปุขความปองใจเชื่อด้วยความงมงาย ดันั้นตรงนี้ผมมองถึงในเรื่องของศรัท ธ, ธาตรงนี้ก็ให้เข้าใจชัดลงไปว่าตัวลักษณะของศรัท ธ, ธาเนี่ยจะต้องมีความเชื่อและความเชื่อนั้นก็จะต้องบิ่งนะความเชื่อในที่นี้ก็เป็นไปในลักษณะที่บอกว่าเชื่อต่อสัตทยวัตถุคือสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อก็มีพระพุทธเจ้าออว่าธรรมแล้วพระสงฆ์แต่บอกเอ๊ะทําไมต้องปักทําไมต้องสรุปลงตรงประเด็นที่พระราชนาตรยัยก็ต้องบอกว่า สิ่งที่ควรเชื่อในที่นี้หมายถึงพุท ธ, ธะเนี่ยเดี๋ยวไปทําความเข้าใจกันอีกทีนะว่าพุท ธ, ธะหมายถึงอะไรเพราะพุท ธ, ธะเนี่ยหมายถึงสภาวิธีตัสรุอริย ส, สัตสีตามความเป็นจริงนที่พระเจ้าตรัสไว้ในพ ร, รมอายุสูตรที่บอกว่าอภินยยังอภิญญาติพาเวตัพันจากพาวิตังปหาตับพังพหินันเม ตสมาพุทธโธสมิพรามนะดูก่อนพราหมทำที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้รู้ยิ่งแล้วทำที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแล้วทำที่ควรละเราก็ได้ละแล้วทำเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นพุทธะเนี่ยใน ก, กรณีของการที่ศรัทธาที่บอกว่าเชื่อต่อสัตยวัตถุคือมีพระเจ้าเป็นต้นเหรอเนี้ยอันนี้ก็แปลว่าไปเชื่อสภาวะพุทธะที่ตรัสรู้สัจจะสี่ หรือสภ า, สภาวธรรมที่เชื่อแน่นอนต่อสัทย์ยอถอันควรเชื่อว่าวัตถุนี้มีสภาพเช่นนี้ต่อไปไปดูในเรื่องของกิ จ, จรัสะนะที่มาจากคำว่าปัสสาทนารสาวาปักขันธะนั้านรสาเนี่ยที่บอกว่ามีความผ่องใสเป็นกิจถ้ลักษณะของศรัทธาก็จะมีสภาพเป็นความผ่องใสหรือมีความแล่นไป ศรัทธาก็จะต้องแล่นไปไม่ใช่อยู่กับที่นะั้นแล่นแล่นไปฮะเปรียบสเสมือนแก้วมนันีที่ทําน้ําให้ใสหมายความว่าอะไรเวลาถ้าใครมีศรัทธาเกิดขึ้นมาแล้วความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บก็จะข่มกิเลสนิวรณก็จะสามารถข่มกามฉันทะนิวรณได้เั้นคนที่มีศรัทธาในพุทธคุณประเภทที่ประกอบด้วยอุปจาระเลยนะจิตที่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ปุ๊บเนี่ยสภาพจิตจะผ่องใสใทันทีเลย เพราะจิตนั้นเป็นไปกับสมาธิด้วยและสภาพจิตก็ผ่องใสเหมือนแก้วมนันีเหมือนแก้วมันีที่มาน้ําขุนๆเนี่ยเท่าแก้วมันีที่ใสจุ่มลงไปปุ๊บเนี่ยน้ําก็จะขจัดไอ้ฝุ่นละอองหรือจอกแหนหรือสภาพน้ําที่ขุนทั้งหลายเนี่ยขับไล่น้ำฝุขุนๆนั้นให้อันตรธานไปเหลือแต่น้ําใสายแจ๋วสว่างแม้ชั้นใดสภาพจิตที่มีศรัทธาประกอบ จิตก็จะผ่องใสเพราะอะไรเพราะกรารมาฉันทา่าความติดใจไปกสันนี่อันตราฐานไปแล้วไม่มีแล้วภัยาบาตความโกรธความเครียดความกัดกุมก็หายไปทีนี้มิท่าความหดหู่รอถอยความเซ็งเบื่อทั้งหลายก็หายไปยแล้วก็ผู้ที่จะกุกุจัดความฟุ้งซ่านลาคาญใจก็หายไปวิจิกิจฉาวความลังเลสงสัยก็หายไปฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็จึงบอกว่าเป็นสภาพที่ผ่องใส ทำจิตให้ปราศจากนิวรณมีความผ่องแผ้วสใสไม่คุณมัวทําให้บุคคลผู้มีศรัทธาเกิดความริเริ่มที่จะทําคุณความดีโดยไม่ยอมท้อและก็มุ่งต่อการทํากุศลกรรมอยู่เสมอนั้นคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะไม่ท้อแล้วจะมีจิตคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลามีจิตที่มีความอยากจะทําความดีปรารถนาจะทําความดีและในขณะที่ทําความดีก็มีความสดชื่นสดใสอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่า เป็นไปกับความใสเนี่ยเป็นก็คือเชื่อดุดแก้อมณีที่ทําน้ําให้ใสดังที่ได้กล่าวประการที่สมีความไม่ขุนมัวเป็นอาการปรากฏนั้นอันธยาศัยก็จะน้อมน้อมไปเป็นอาการปรากฏก็หมายความว่าเมื่อศรัทธาเนี่ยมีกําลังมากก็ทําให้สามยุทธธรรมคือจิตได้เจได้สิ่งที่เกิดพร้อมกับตอนมีความชื่นบานในขณะที่เจริญหรือทํากุศลธรรมเนี่ยคือในขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวศรัทธาอย่างเดียวนะผ่องใสหรือชื่นบานธรรมะหรือคุณภาพของจิต ในที่นั้น่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพของเวรนาการเสวยอารมณ์ก็จะเป็นสุขสมานัทอย่างนี้เป็นต้นนะยัไม่มีทมนัตเข้าเกิดรั่วแล้วสภาพของสัญญาก็จะจําเรื่องดีๆแล้วชื่นใจมากในขณะนั้นสภาพของสังขารก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องราวดีๆในขณะที่ปรุงแต่งเรื่องทานการให้การสระการแบ่งปันปรุงแต่งเรื่องของกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สงบเนี่ยนะ เนี่ยกระโปงแต่งในลักษณะของการแม้แต่การทำภาวนาใดๆก็แล้วแต่ก็คือทำสติให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำความตั้งมั่นแห่งจิตให้เกิดขึ้นสภาพจิตก็จะผ่องใสเป็นอาการปรากฏพร่องทั้งทั้งสภาพคุณภาพจิตในดีมากเลยจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเยี่ยมอ่องผ่องแผ่วไร้มนทินจิตที่มีความอดทนตั้งมั่นจิตที่มีความเชื่อมั่นจิตที่มีสมนัติจิตที่เป็นไปกับปัญญาก็จะเกิดขึ้น ยังจะผ่องใสลักษณะนี้เป็นอาการปรากฏแล้วเนะี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาพศรัทธาเคยเกิดไหมเคยมีสภาพใจเกิดแบบนี้บ้างไหมเกิดรู้สึกมันชื่นใจสุขใจในการทําสิ่งที่ดีๆอยากจะทําสิ่งที่ดีๆหรือในขณะทําสิ่งที่ดีๆแล้วก็โอ้โหมีความสุขมีความสดชื่นเวลาสวดมน์ก็ดีเจริญกุศลก็ดีฟังอยู่ในขณะเนี้ยสภาพใจมันจิตที่ดีๆมันเกิดขึ้นกลเป็น เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัท ธ, ธามันแสดงอาการปรากฏแล้วแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ของศรัท ธ, ธาคืออะไรเขาเรียกว่าที่จริงผลปรากฏมันมีสองอย่าง ด, ดูดูถึงนี้นิดหนึ่งความไม่ขุนมัวความผ่องใสแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนในขณะที่เราลึกถึงพทธเจ้ารึกถึงพระธรรมมาลึกถึงพระสงฆ์ลึกถึงศีลลึกถึงทานทั้งหลายตรง น, นี้โอ้โหมันได้ที่พึ่งแล้วได้ที่อะไรลึก หรืออีกอย่างหนึ่งผลปัจจุบันคือสภาพที่ให้ผลก็คือการตัดสินใจเชื่อต่อวัตถุอันควรเชื่อเกิดขึ้นทันทีพอหลังจากเข้าได้สัมผัสว่าแหมพุทธะเนี่ยเป็นสภาวะที่ตัดสรตวสัจจะ4ี่ธรรมะเป็นหลักการเป็นความดีความจริงแท้จริงๆที่จะเป็นหลักการนําตนเองให้เข้าถึงความดีงามประเสริฐได้สังฆะคือหมู่ชมุมชนที่น่าเข้าไปร่วมด้วยน่าจะเป็นน่าจะเข้าไปอยู่ในสภาวะสังคมอย่างนั้นจริงๆ หมายพอเกิดความเชื่ออย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะ น, นี่ก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจว่าเชื่ออย่างเด็ดขาดเลยมอบกายถวายชีวิตได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอะไรปีเหตุไก้ประฐานออประธานนี่ก็คือวัตถุอันควรเชื่อก็คือพระรัตนตรัยเป็นต้นด้วยก็หมายความว่ามีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดบางครั้งก็มีทานกุศลก็ได้การให้ทานบ้างการรักษาศีลด้วยนะ การเจริญภาวนาบ้างหรือพระธัตไตรเนี่ยพุทธธรรมสังฆาเนี่ยเป็นเหตุใกล้บางทีก็มีโสตาปฏิยังคะธรรมเป็นเหตุใกล้เกิดด้วยอะไรเป็นโสตาปฏิยังคะธรรมก็คือการครบสัตว์บุรุษผู้สามารถสั่งสอนแนะนําสัจจะสี่จนได้บารุลกมากกว่นิพพานโอ้ตรงเนี้ย น, นี่เหตุเนี่ยอันนี้เป็นเหตุใกล้ของสัตยานะถ้าเราไปคบคนมีปัญญาคบสัตวบุรุษคบบัณฑิตเมื่อไหร่บัณฑิตก็จะพาไปหาตรงเนี้ย ไปหาความจริงแท้นี่แหละทำให้เราฉลาดขึ้นก็าการครบคนเนี่ยคบคนฉลาดก็ทําให้เราฉลาดขึ้นสองสัตยธรรมวสวังนะก็คือชอบฟังธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลนีชอบฟังข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุและผลเบาๆนี่ข้าวห้องนี้เนี่ยชอบฟังเรื่องเหตุและผล ปรการที่3ามยัวโยนิสมนิสิกานการใส่ใจาการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาได้แก่พิจารณาสังขารด้วยปัญญารูปธรรมนามธรรมพิจารณาเหตุผลพิุทณานิจธรรมความเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาพิจารณาถึงความสวยงามเป็นต้นอันเนี้ยไอตัวโยนิสมนสิกานนี่แหละก็เป็นเหตุใกล้แล้วก็ธรรมานุธรรมาปฏิบัติก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรต่อโลกุตรรธรรม9ก็คือการปฏิบัติในสีในสมาธิในปัญญาเริ่มตั้งแต่จารณคม ไล่ไปตามดับสติสังีลไล่ไปถึงสมาธิถึงปัญญาไล่ไปตามลําดับเลยอย่างนี้เป็นต้นในการเก็บอรัตนะหรือคุณความดีกุศลศรัทธาท่านเลยอุปมาเหมือนมือเลยเหมือนมือนะในการให้ทรัพย์สมบัติอันเป็นโลกียะโลกุตตระสมบูรณ์เพียบพร้อมศรัทธาก็เหมือนเงินในมือเนี่ยคนที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนคนมือด้วนมือกุดมือด้วนแต่คนที่มีศรัทธาเหมือนคนที่มือดี นั้นเห็นเงินเห็นทรัพย์ทั้งหลายสามารถเก็บเกี่ยวได้แม้ชั้นใดคนที่มีศรัทธาก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแหละศรัทธาจึงเป็นอริยทรัพย์บังเกิดขึ้นในบุคคลใดแล้วก็ทาให้บุคคลนั้นได้ประสบทรัพย์อันประเสริฐบุญวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของแต่และบุคคลนะรูปบางเสียงบ้างการแต่งตัวบ้างการพูดจาที่มีหลักการบ้างหรือธรรมะที่แสดงออกมาเป็นต้นความเชื่อที่เกิดจากความเลื่อมใสเข า, าเรียกภาษาท่าศรัทธา ถ้าโอกลับปณสัตยาความเชื่อที่ยังลงในวัตถุที่ควรเชื่อเช่นตถาคตโพธิสัตยาเป็นต้นถ้าเป็นความเชื่อที่มั่นคงเขาเรียกอา จ, จรารยสัตยาความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่กลับกรอกนี่เป็นความเชื่อของพระอริยะทั้งหลายเป็นต้นแล้วเนี้ยอาแต่ น, นี้พอพูดถึงในเรื่องของเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยนะพอเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเนี้ยคื อ, อคำว่าสารณะนะสารณะเนี่ย ในคัมภีอภิธานวรรณนาท่านแสดงสถานะไว้สี่ความหมายมาจากคำว่าวัทะแปลว่าการฆ่าค่าหะแปลว่าที่พักอาศัยรักขิตาก็สิ่งที่ปกป้องคุ้มครองหรือที่พึ่งก็ได้รักขณะก็การรักษาคุ้มครองเนาะในสความหมายเนี่ยสระสาระเนี่ยสรณะนะสารณ ะ, นะ ะ, ะเนี่ยฉะนั้นในคัมภีเดียกาท่านเลยมาขยายบอกว่าธรรมะที่ชื่อสารณะนะย่อมเบียดเบียน เบียดเบียนก็คือนําออกโดยไม่เหลือซึ่งภัยฉะนั้นถ้ามีสารณะก็คือสารณะจะนําอะไรออกจะเบียดเบียนอะไรออกก็เบียดเบียนความสะดุ้งเบียดเบียนความทุกข์เบียดเบียนความลําบากเบียดเบียนทุกขติอบายทุกขติวินิบาตารกเบียดเบียนความเศร้าหมองทั้งสิ้นด้วยกริยาที่การถึงสารณะแห่งชนทั้งหลายพูดถึงซึ่งสารณะอย่างแท้จริงฉะนั้นคําว่าภัยก็ได้แก่ภัยในวัตตการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นภัยนะ คำว่าสะดุ้งก็จะแก่ความวัดสะดุ้งแห่งจิตและใจติสิกโอสะดุ้งอยู่เป็นนิดเลยกลัวตนเองจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์ตระฉานเปรตอสระกายเป็นต้นน่ยทุกแต่แก่ทุกทางกายทุกคติก็ความเศร้าหมองทกทั้งหมดในหละที่นับเนื่องอยู่ในทุกคติภูมิอบายทุกคติวิวาทนรกทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นคำว่าพุทธะจึงเป็นสารณะเพราะย่อมเบียดเบียนก็คือกำจัดกำจัดก็ได้เบียดเบียนก็ได้นำออกซึ่งภัยก็คือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วย สัตว erm. ์ ท, ทัท้งหลายที่เข้าถึงพุทธะแล้วเนี่ยจะสามารถขจัดความกลัวขจัดความสะดุ้งขจัดภัยด้วยการที่ยังสัตว์ทั้งหลายนั้นนี่ยให้ประพฤติในทางที่เป็นประโยชน์เช่นพระพุทธเจ้าก็สอนใช่ไหมให้พวกเราเนี่ยกลับกลับออกจากความเป็นผู้ไม่มีศีลมาตั้งอยู่ในศีลออกจากความเป็นผู้ไม่มีสมาสมาธิมาตั้งอยู่ในสมาธิออกจากความเป็นผู้ไม่มีปัญญามาตั้งอยู่ในเป็นผู้มีปัญญาเห็นไหม เบียดเบียนไหมเบียดเบียนความกลัวเบียดเบียนทุกขติเบียดเบียนความสะดุ้งแห่งจิตทั้งสัตว์ทั้งหลายให้ออกไปให้ปราศจากไปอันตรธานไปฉะนั้นจารณะเนี่ยพุทธะเป็นจารณะก็เบียดเบียนเลยเบียดเบียนความไม่มีศรัทธาของเราให้ออกไปให้เป็นผู้มีศรัทธาเบียดเบียนความเกลียดชังออกไปให้เป็นผู้มีความเพียรที่ตั้งมั่นเบียดเบียนความฟันเฟือนเลือนหลงออกไปให้เป็นผู้มีสติ กำจัดก็ได้เบียดเบียนซึ่งความฟุ้งซ่านลำคาญใจให้เป็นผู้มีความตั้งมั่นแห่งจิตเบียดเบียนซึ่งความหลงความโง่หรือกำจัดความหลงความโง่ให้ออกไปให้มาตั้งอยู่ในปัญญานี่สารณะเลยกลายเป็นว่าทําความกลัวของสัตว์ทั้งหลายหรือยังสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ไปพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยให้กลับมาหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นจากการที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ฆ่าสัตว์เนี่ย พุทธาก็เลยนำหรือกำจัดความเป็นผู้ฆ่าสัตว์ทิ้งไวให้งดเว้นจากการฆ่าอย่างนี้เป็นต้นงั้นพุทธาี่เป็นสารณะก็เย็บเบียดเบียนกำจัดนำออกนี่แหละธรรมะเนี่ยมรคก็เป็นสารณะนะสีนสมาธิปัญญาหรือสมาธิติิสมมาสังปาสมมาวจามสมากรรมตาสมาอาชีวะสมาวามารสมาสติและสมาสมาธิสีนสมาธิปัญญาก็เป็นมรคมรคตัวนี้ก็คือเป็นธรรมะ เบียดเบียนไหมเบียดเบียนกำจัดไหมกาจัดน้ําออกซึ่งภัยก็คือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วยด้วยการที่ยังสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากกันดานคือพบโอ้ธรรมมานี่ประเสริฐนะนั่นธรรมมในเช่นคือมร์นะจะมีคําว่าอริยมร์โสดาปริมรคสกาธาคามีมร์อนาคารมร์อัตถามร์มีมร์วิสีนะผลมีเท่าไหร่ผลก็4โสดาปริผลสกาธาคามีผลอนาคามีผลอัตามผลนิพพานอีกหนึ่งรวมเป็น เนี่ยโลกุตระธรรมก้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมะนะและปริยัติรวมหนึ่งด้วยนะเออเนี่ยธรรมะคือมรรคเป็นสารณะเบียดเบียนกําจัดนําออกซึ่งภัยความโกรธงสัตว์ทั้งหลายโดยการยังสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากตันดานคือพบโอ้ข้ามพ้นแล้วจากอบายทุกขติวิบัตินรกข้ามพ้นจากภพภูมิต่างๆทั้งหลายนั้นให้เข้าสู่พระิพันธ์นั่นแหละ ส่วนธรรมะคือผลและนิพพานเป็นสารณะย่อมเบียดเบียนก็คือกำจัดด้วยเนะนี่ยนำออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการให้ความยินดีในธรรมะก็คือสภาพความดับทุกข์หูวังสามารถดับทุกข์ได้เลยจะมีความยินดีปรีดาปราโมทอย่างมากแท้จริงปริยัติก็เป็นธรรมะได้ด้วยเป็นสารณะด้วยเป็นแผนที่โอ้ยทาให้สัตว์ได้ชื่นใจด้วยเห็นแผนที่แนวทางที่จะนําพาชีวิตของตนเองให้รอดปลอดภยัยโอ้ถ้าเราไปเจอ สิ่งแวดล้อมวงล้อมของศัตรูนยศัตรูมาร้อมอยู่แล้วต่อมาเราเห็นทางรอดจะชื่นใจไหมว่าเรามีทางหนีออกจากศัตรูแล้วศัตรูจะฆ่าเราไม่ได้แล้วจะชื่นใจไหมมันจะชื่นใจเลยเอาถ้าไฟไหม้ไหมจะข้างล่างขึ้นมาแล้วไหม้ไหมกลุ่นแบบนี้ไห ม, ไ ม, ไ ม, ไมปุบปบุมาโอ้โหวิว่งผ่านกันเยอะหาทางออกก็ไม่ได้เพระเอมันมีเชือกคล้อยโยงลงตรงนั้นดีใจไหมโอโยเรารอดตายแล้วอว้ยจะไหม โผลเชือกลงทันตีเนี่ยเนี่ยนี่เหมือนการแผนที่ก็เหมือนเนะชือกที่เรารอดตายนั่นแหละเลนี่ยเราเห็นแผนที่แล้วทีนี้นขณะที่เรากําลังโผลเชือกและดิงดิงด่งๆิงลงไปเหมือนมัดเหมือนเส้นทางที่เรากําลังเดินพอไปถึงจุดหมายปลายทางถึงพื้นเป็นดินด้วยความปลอดภัยก็เหมือนพระนิพพานนี่เป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้เหมือนกันนี่เป็นเครื่องกำจัดภัยเนี่ยกำจัดและนําออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายธรรมะเป็นอย่างนี้ส่วนสังฆาเป็นตารณะเพราะย่อมเบียดเบียนกําจัดนําออกซึ่งภัยก็คือ ความกรวงสัตว์ทั้งหลายด้วยการทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เฉพาะซึ้งผลอันไพบูญหนึ่งออสงฆ์นี่เป็นทักษิณในยอบุคคลอันล้ำเลิศนะอันยอดเยี่ยมนะนนบุคคลหวานพืชคือกุศลเนะี่ยหว่านเม็ดกุศลลงในหมู่สงฆ์ในหมู่แห่งพระโสดาบันสกาธานาคาพระริอาหารเนี่ยนะที่มีพระเจ้าเป็นประมุขนะเราหย่างเม็ดกุศลเจตนาลงอยู่ในในในหมู่สงฆ์นะโอ้โหเหมือนระหว่านพืชหว่านเมล็ดข้าวลงสู่นินาที่ดีที่สุดเนะี่ยข้าวจะงอกงามไพบุญมาก เพราะท่านเหล่านั้นประกอบไปด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณมุติคุณมุติญาณทัศนะคุณท่านเหล่านั้นมีคุณนันเลิศมีคุณนันปร perse ดฉะนั้นในหมู่ชุมชนแห่งอริยสงฆ์จึงเป็นชุมชนที่เป็นอริยสังฆะเป็นหมู่ชนที่เลิศที่ประเสริฐเป็นหมู่ชนที่ควรควรจะดําเนินชีวิตของเราให้ไปถึงหมู่ชนนั้นและไปอยู่ร่วมเพราะมั่นใจว่าหมู่ชนนั้นเมื่อเราไปร่วมแล้วเนี่ยเราพ้นภัยแน่นอน ไม่อยู่ในหมู่ชนเหล่านั้นเราจะพ้นอบายทุกติวิบัตินรกแล้วก็จะพ้นจากความมืดความบอดความหลงความงมงายทั้งหลายเป็นต้นเป็นหมู่ชนที่ดีจริงๆประเสริฐจริงๆโลดๆจริงๆโอ้โหคิดอย่างเี้กรชัดเลยเนี่ยนั้นธรรมาสังฆพุทธะธรรมะสังฆเป็นสารณะเพราะเบียดเบียนนําออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยยังสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกในสังสารวัฏนั่นเองในชาติที่ทุกชราทุกพยาทีทุกขมรณะทุกเกิดแก่เก็บตายนี่แหละโสมกาลปริเทวทุกขโทมนาสละอุปาญาต ความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจเนี่ยในระดับนี่ก็คือป้องในระบเบื้องต้นก็คือป้องกันไม่ให้ตกอวัยภูมิเบื้องต้นต้นเลยนะถ้าใครเข้าถึงพุทธธรรมสังขายอย่างแท้จริงปุ๊บก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกอ่ะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตและสุรากายเนี่ยถึงสุขติอย่างเดียวนี่ชัดเจนเลยปิดเลยนะปิดประตู4ี่ประตูอวัยภูมิ4ี่แต่ถ้าใครยังไม่ถึงสารณาอย่างแท้จริงปุ๊บ ไม่มั่นคงเลยเนี่ยเราได้อาจารภาพเป็นมนุษย์ได้พบนี้ปุ๊บอย่างเน้นสนนมณเณนแชมป์เนี่ยเห็นไหมว่างเนี่ยชีวิตแน่นอนไหมเนี่ยจากนเนีน่ยอมีสมณเณนตกอเวทีมีไหมมีมีอ <Yeah. S 1> สานูสสมณเณรไงใช่ไหม <Yeah. S 1> ตกในเวจีเลยไป น, นอนนอนในไฟไฟร้ไฟนไฟเผาอยู่นั่นนะโหตัวยาวตั้ง ทังสิบหกิโลเมตรเนี่ยหือตัวยาวขนาดนะ้ต้องดูต้องคิดดูดิแผ่นของร่างกายแผ่นหนังเนี่ยโอ้เป็นรองรับกายกายาศาสาร์เต็มไปหมดรองรับความร้อนดีๆที่สุดประมาณร้อนได้นานด้วยแผ่นหนาแผ่นหนังหนาเวลาความร้อนฉีดเข้าไปปุ๊บเหมือนจะรักษาความร้อนได้เป็นวันวันโอ้โหทรมานมากไอ้แผ่นหนังเราบางบางใช่ไหมพอความร้อนเข้ามาปุ๊บนิดเดียวเนี่ยเ อ, อพอความร้อนหายปั๊บมันก็หายแล้ว คนที่แผ่นหนังหนาเนี่ยโอ้โหความร้อนมันฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็รักษาความร้อนไว้ ท, ทั้งทที่ความร้อนมันหมดไปแล้วมันยังมันยังร้อนไปตั้งเป็นหลายรอยเป็นสิบวันยี่สิบวันเนี่ยโอ้โหจะขนาดนหนนี่ทรมานขนาดเนี้วะแผ่นหนังหนามันเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คือนี่แหละพุทธะ ธ, ธรรมะสังฆะเป็นาจ ร, รณะกบียเบียนนำออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยการยังสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี ระดับต้นๆก็คือพ้นจากทุกอบายทุกติวิญญาบาตรในโลกในระดับที่ออกจากสังสารวัตก็คือการดับทุกโดยโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีเหลือเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยการถึงสาระถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บเราก็ได้เข้าใจอ๋อสระหมายถึงอะไรเนี่ยสาระสาระเนี่ยโดยตรงเนะี่ยหมายถึงนิพพานเนี่ยสาระธรรมมาจากอะไร ออมักสีย่อมกำจัดย่อมเบียดเบียนกิเลสทั้งหลายด้วยธรรมะใดฉะนั้นธรรมะนั้นชื่อวสารณะนะอีกอย่างหนึ่งธรรมะอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพระอริยกัจจวัตสารณะดนะ้วยนิพพานกัจจวัตสารณะด้วยนะเพราะอะไรเพราะมีอธวิวาสกำจัดภยัยก็คือทํำภัยวิ้พนาฏไปใครเข้าถึงนิพพานได้ท่านผู้นั้นถ้าเข้านิพพานได้ครั้งแรกเห็นนิพพานครั้งแรกนะตัดกระแสกิเลสในครั้งแรกเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก ถ้าสมมติเนนแชมฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิปัญญาตปบเป็นพระโสดาบันนะสบายแล้วจะไปเล่นไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่มีตกนรกเลยปิดเลยประตูอาบายภูมิเนี่ยหนึ่งไม่เป็นสัตว์นรกสองไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานสามไม่เป็นเปรตสีไม่เป็นสุรก า, ายแล้วปิดประตูแล้วเป็นอย่างต่ําก็มนุษย์ถ้าเป็นเทวดาสักสูงด้วยมีอนุภาพด้วยนี่เป็นอย่างนี้นี่คือตัด ก, กินได้ต้องอ ก, กินไ้วันเดียวฮะนี่คือตัด ก, กินได้ไดวันเดียวใช่ พอกิเลสละได้ละกิเลสได้แล้วเป็นพระสาวาดาบันเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดนั้นเขาบอกมีมีค่ามากกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่ปกครองชมพูทวีปนะอุตรกุรุทวีปปุพพาวิเทหาทวีปอัปราชโคยา น, นาทวีปก็คือปอกครองโลก4ี่ใบเนี่ยพร้อมด้วยโลกอีก2 2พันเป็นบริวาร น, นี่นะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่ ย, ยังไม่ได้เสี่ยวที่16 ข อ, ของความสุขของการเิ็นพระโสะดาบันเลยเพระพระเจ้าจากักรพรรดิยังมีโอกาสตกลงอบัยภูมิได้เป็นสันนิโรกได้ใช่ไหมล่ะเป็นไม่ยอมเป็นดินอยู่แต่การเป็นพระโสะดาบันน่ยปิดเลยปิดอบัยภูมิเลยครัให้สังเกตดูน ะ, ะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสะดาบันโอ้โหยิ่งใหญ่มากพอท่านขนาดถูกทรมานตายด้วยนะถูกตัดหนังเท้าแล้วก็ใช้ไม้เผา ไม้ตะเคียนเนี่ยเผา mm hmm. เผาเผาที่เท้าท่านจนจนสวรรคตรเนีย่ยคนถูกทรมานตายอย่างนั้นร้อยทั้งร้อยกระตกนรกมาแต่นี่ด้วยการปิดอบายภูมิท่านก็ไปเกิดในจารจบหมายราชกาญจน์เนี่ยเห็นไหมความชัดเจนของกามเป็นพระโสดาบันเนี่ยประเสริฐอย่างนี้แหละฉะนั้นต่อไปในความหมายเราบอกพุทธังสารนังคัจฉามีเห็นไหม พุทธะรู้แล้วได้แก่อะไรสรณะนแปลว่าแปลว่าเครื่องกําจัดเครื่องกำจัดภัยสรณะนาธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นตัวเนี้ยคําว่าคัจฉามิเนี่ยเป็นกริยาเนีเป็นคำกริยามาจากคำมาธาต์ก็แปลว่าการไปการถึง คัจฉามีเนี่ยในไตรสารคนครบก็แปลรู้ก็ได้แปลได้ด้วยเนี่ยด้วยเหตุ น, นั้นเวลาเราสวดมนต์เราก็จะบอกว่าพุทธทางสารนังคัจฉามีทำมังสารนังคัจฉามีสัมคั ง, งสารนังขัจฉามีเนี่ยข้าพระเจ้าอันอันว่าข้าข้าพระเจ้านะรู้หนบนัดนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนะว่าเป็นที่พึ่งข้าพระเจ้าขอถึงพระเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ก็เป็นดังนั้นคัจฉามีแปลว่าไปแปลว่าถึงเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่าแสดงถึงกิริยาที่น้อมเข้าหาซึ่งไม่ใช่เข้าไปหาขวายคว้าเป็นที่พึ่งชนิดที่อิทธิปฏิหารดนบันดาลนะแต่เป็นการน้อมเข้าไปศึกษาขจามียบอกข้าพเจ้าเนี่ยพุทธังสารนันขจามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแปลว่าข้าพเจ้าจะน้อมเข้าไปจะเดินกิริยาที่ข้าพเจ้าจะน้อมเข้าไปนำจิตน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปอะไร น้อมก็ไปถึงพุทธเจ้าไม่ใช่หวังหวังบอกว่าให้พุทธเจ้าโดนบันดาลเราเนาีแต่น้อมก็ไปหาเพื่อเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเดินตามพุทธธรรมสังฆาและถูกได้อย่างถูกต้องก็อย่างนี้เนี่ยเขแปลว่าไปและแปลว่าถึงน้อมก็ไปศึกษาปฏิบัติน้อมเข้าไปปฏิบัติตามความตัดสู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จุดมุ่งหมายเพื่อการดับทุกข์ว่า้งเถอะเนี่ยข้าฉามิข้าฉามิเนี่ยไปเอาไ ป, ไปเดี๋ถึงนั้นเป็นกิริยาที่น้อมเข้าไปนะน้องก็ไปศึกษาจริงๆนะศึกษาในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเมื่อรู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเบียดเสร็จแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามฝึกฝนตามพัฒนาตา ม, พตามเพื่อจะได้สามารถดับกิเลสและกองทุกข์ตามพุทธธรรมสังฆะให้ไดน้นี่การการกา ร, การปฏิบตัติอย่างนี้ก็จะการเข้าถึง การก็ไปศึกษาจริงๆจะไม่ใช่ว่ากิริยาที่น้อมไปไปกราบปลุกปลุกปลุกแล้วก็บอกโอ้โหขอให้พระพุเจ้าดนบรนดาลนี่ข้าพเจ้าดยเถอะไม่ทําอะไรแล้วเข้าไปไหว้พระเข้าไปสั่นติ้วปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กขยันไหมคนไปเขย่าบุบบุบบนั่นแหละแล้วก็ให้ดนบรรดานี่ข้าพเจ้าแล้วกลับมาไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนอนรอผลดนบรรดาเนี่ยไม่ใช่ท่านข้าฉามีเนี่ยมันแปลว่าไปไปว่าถึง แสดงถึงกิริยาที่น้องก็ไปหาไม่ใช่เป็นการน้องก็ไปหาเพื่อควายคว้าเอามาเป็นที่พึ่งชนิดที่อิทธิปฏิหารดนบรรดาลไม่ใช่เงี้นแต่เป็นการน้อมเข้าไปศึกษาเลยศึกษาก็เรียนรู้ให้ถูกต้องด้วยฟังนี่ถูกต้องไปศึกษาให้ถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติตามตามการตัดสรุปดีของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดสรุปอะไรตัสรู้สัจจสี่พระเจ้าบอกอะไรบอกหลักการวันนี้ทุก นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติที่เข้าถึงความดับทุกข์บอกว่ามาร์เนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าสอนหลักการดําเนินการเนี่ยว่าฝึกผลพัฒนาเนี่ยจะฝึกยังไงฝึกกายกรรมยังไงฝึกวัจจีกรรมยังไงฝึกอาชีพยังไงเป็นศีลฝึกจิตยังไงเป็นสมาธิฝึกผลพัฒนาทัศนะความเห็นให้เป็นปัญญายัางไงเดินศีลสมาธิปัญญาอันนี้เขาเรียกศึกษาด้วยปฏิบัติตามด้วยเพื่ออะไรวัตถุสงค์เพื่ออะไ ร, จ, ออะไรจุดมุ่งหมายเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์ นี่ชัดเจนกัำว่าคัจฉามีเมฆเวลาเราพูดทางสารนังคัจฉามีธรรมสารนังกัจฉามีข้าพเจ้าขอถึงพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงยังไงข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงนี่ไม่ใช่แค่พูดนี่แปลว่าเป็นกริยาที่เราน้อมไปที่ต้องการจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนในการที่จะประพฤติปฏิบัติ ในการที่จะทำตัวเองใด้พ้นจากกิเลสที่กองทุกข์จริงๆเพื่อความดับทุกข์จริงๆอย่างนี้เป็นการถึงสาระที่แท้จริงพอเข้าใจอย่างนั้นคำว่าไปและถึงเนี่ยรู้และเข้าใจแสดงถึงพุทธะธรรมะสักขะอันเป็นสภาวะประมัตต์เนี่ยเป็นสาระที่พึ่งที่กระจัดภัยได้ก็ต่อเมื่ออะไรถามว่าจะสามารถเป็นที่พึ่ง ขจัดภัยให้เราได้ต่อเมื่อเราได้ศึกษาปฏิบัติตามพระสัตธรรมด้วยความภาคเพียรจนสามารถได้รับผลตามสมควรในการปฏิบัตินะถ้ากิเลสระงับไปตามลําดับนะกิเลสกิเลสเนะี่ยสิ้นกิเลสได้เท่าไหร่ก็สิ้นความสะดุ้งและความทุกข์ต่างๆได้เท่านั้นใช่ไหมล่ะเมื่อกิเลสหมดเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะลดลงตามนั้นถ้ากิเลสถ้าเขา้า ว่าเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติตามแต่กิเลสมันไม่ลดความทุกข์จะลดไหมเพราะกิเลสมเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ฉั้นกิเลสคือราคาความกำหนัดกิเลสคือโทษาความโกรธกิเลสคือโมหะความหลงราคาโทษาโมหะลดได้เท่าไหร่ความทุกข์ก็จะเบาบางลงเท่านั้นมันก็จะอยู่ตรงที่ปริมาณกิเลสเหมือนความเหมือนความร้อนเนี่ยถ้าเราลดปริมาณไฟได้เท่าไหร่ความร้อนความความร้อนมันก็จะลดลงลดลง ถ้าดับไฟโดยไม่มีเหลือแล้วเชื้อความร้อนมันก็หมดไปไอกิเลสคือราคาความกำหนัดโทสะความโกรธโ ม, มหะความหลงเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลาเราเข้าไปศึกษาเนี่ยถามว่าการเข้าถึงสาระอยู่ตรงปริมาณการลดกิเลสถ้าปริมาณของกิเลสมันลดลงได้เท่าไหร่ปริมาณความทุกข์ก็ลดลงก็ปแปลว่าการถึงสาระเราก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าถึงสาระได้อย่างชัดเจนก็แปลว่ากิเลสหมดเลยความทุกข์ก็จะดับลงไปหายเกลี้ยงเลยอย่างนี้ไปต้น เห็นไหมว่าอยู่ตรงนี้การถึงสารณนาต้องสงบระงับไปตามลําดับกิเลสสิ้นไปได้เท่าไหร่ก็สิ้นความสะดุง้งความกลัวและความทุกข์ต่างๆได้เท่านั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเราจึงมีความสะดุง้งความกลัวความหวาดเสียวความวิตกกังวลอยู่อันนี้บ่งบอกถึงกิเลสแต่คนที่มีที่พึ่งมีสาระนแล้วเขาลดกิเลสตัวนี้ได้ความราคะด ร, ราคาก็ทําให้เราสะดุ้งนะเช่นเราความติดใจใยกสันเนี่ยถ้ากลัวสิ่งนั้นจะหลุดรอยกลัวไหม เรายึดบางคนก็ไปยึดพอ่อยึดแม่ก็าไว้ยึดทรัพย์ยึดสามีภรรยาไปยึดบุตรยึดภรรยาทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะกลัวว่าสิ่งนั้นจะหลุดลอยไปสะดุ้งไหมนี่ตัณหาพาสะดุง้งไอ้ความกลัวก็เป็นโทสะความไม่รู้จริงว่าอันนี้นึกว่าเป็นที่พึ่งก็เป็นโมหะเนี่ย ไ, ไ, ไอ้การถึงสราระก็จะลดเอกกิลเลสประเภทเนี้นะเข้านะเข้าก็จะไม่เอาบุคคลเป็นที่พึ่งแล้วพ่อแม่กูตา ย, ายายายไม่ใช่สรารนะไม่ใช่ที่พึ่งแล้ว แต่พุทธธรรม ส, สังฆาตังหาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะที่แท้จริงนะ เ, เป็นยังไงล่ะศีล ส, สมาธิปัญญาศรัทธาบุริยสติสมาธิปัญญานี่เป็นสารณะใช่ไหมเป็นที่พึ่งในแท้จริงก็ตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่าตุมเหหิกิต จ, จังอาตปังอาขาตาโรตถาคาตาปฏิปันนาปโมคขันติชายิโนมารพันธนาบอกว่าเธอทั้งหลาย พึงทำความเพียรเองเถิดแต่ฐาคตเป็นแต่เพือนผู้ชี้ทางบอกทางนะี่ยผู้ดำเนินตามทางนี้เพียร เ, เพ่งอยู่นะีด้วยอารัมณูปณิชฌาและลักค น, น, นูปณิชฌานเพียรเพ่งอยู่ด้วยสมถะลิปัสนายานแล้วย่อมพ้นจากเครื่องพนานาการของมารได้มีกิเลสมารเป็นต้นพรพุทธเจ้าเห็นไหมว่าพระุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ชี้ทาง เคยได้ยินคำว่าชี้ทางบรรเทาทุกชี้สุขเกษมสารชี้ทางพนลพนะลุภาในพนสโสวโยคภัยพุทธเจ้าผู้ชี้ทางนะแต่เราต้องเดินเองเข้าใจยังไม่ใช่ว่าอุ้ยพุทธเจ้าจับมือเราเดินเนีุชดชี้ว่านี่ทางนี้คนดําเนินแต่เธอเดินไปเดินฝึกฝนพัฒนาไปแล้วเธอจะพบคนทางความสุขดินนั้นไม่ใช่พุทธเจ้ามาเสกคาถาหรือมาโดนบันดาล พุทให้เราเดินถูกทางได้ไหมไม่ได้ก็เพียงเดิเป็นผู้ชี้ทางและบอกทางนี้เป็นต้นเนีย่ยลักษณะนี้เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าอัตตทีปาภิกขเววิหรารธรรอัตต า, า, า, าสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณาบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง เธอทั้งหลายจะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเออคําว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งก็คือการมีก็นี่แหละการเดินตามศีลสมาธิปัญญาในหลักของสติปัฏฐานสี่นี่แหละพระพุทธเจ้าว่าไงว่เมื่อบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วเชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดเอาแล้วตนไม่มีศรัทธาก็ฝึกศรัทธาเกิดขึ้นในตนความเชื่อมั่นนะ ตนเกียจค้านก็ฝึกความเพียรความบากบั่นให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในตนตนฟันเฟือนเรือนหลงก็ฝึกให้มีสติให้มีให้เกิดขึ้นในตนตนฟุ้งซ่านก็ฝึกให้มีสมาธิมีความตั้งมั่นมีในตนตนหลงและโง่ก็ฝึกปัญญาความฉลาดความรอบรู้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนฉะนั้นสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ฝึกให้มีให้เกิดขึ้นในตนนั่นแหละชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งอย่างเด็กนมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะที่มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง นันบุคคลเนี่ยเมื่อมีตนฝึกดีแล้วจึงเชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดเพ้ยภริยาบอกเออเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกอบมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นไม่ที่พึ่งแล้วไอย่าไปเอาพ่อเป็นที่พึ่งอย่าเอาแม่เป็นที่พึ่งอย่าเอาบุตรเอภาภรรยาสามีปู่ตายายเป็นที่พึ่งอย่าเอาทรัพย์มาเป็นที่พึ่งเพราะมันเป็นที่พึ่งได้ไหมัมนไม่ได้ได้ได้ยังไงล่ยบุตรหลานเนี่ ย, บ, ยบอกว่าเวลาจะตกนรก พ่อแม่เป็นยี่พึ่งได้ไหมไม่ได้เลยพึ่งไม่ได้หรอเป็นหาอ๋อเากินอาหารก็ไปเ ห, หชัดลแม่อาจจะพอดไ ด, ได้พ่ออาจจะพอดได้กนเนื่งเต้องต้องกินเองพองย่อยอาหารเาต้องย่อยเองโอ้โหพ่อแม่ไปย่อยไม่ได้ต้องย่อยขนาดนั้นแล้วเวลาจะ วิตามินทั้งหลายจะเข้าไปหล่อเลี้ยงตามกระแสผมคนเลี้ยปนนั้นก็ต้องทําร่างกายเราก็ต้องเป็นผู้นั่นนี่นี่แหละถ้าเราได้เข้าใจคำว่าสาระอย่างนี้ก็เริ่มชัดเจนกัทีนี้พอพูดถึงนี่เราก็ศรัทธาฉะนั้นพระโสดาบันท่านจะมีความมั่นคงตรงนี้แหละความเชื่อความมั่นใจเพราะได้พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลด้วยปัญญาแล้วก็แยกออกเป็นสามด้านเนาะด้านที่หนึ่ง ความเชื่อความมั่นใจในพทะเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถจะอย่างรู้สัจจะทั้ง4ี่คือทุกสมุทัยที่รอดมากเนี่ยเข้าถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติและความเพียรพยายามของมนุษย์เองพอเห็นพระเจ้าเนี่ยมันก็ได้ได้ความมั่นใจอย่างพอเราเกิดความมั่นใจอย่างนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบ พ่อเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะริญ ง, งอกงามขึ้นได้ทั้งในด้านระเบียบชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งด้านร่างกายวาจาทั้งในด้านคุณธรรมที่จะพึงอบรมให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจด้านด้านปัญญาความรู้คิดเหตุผลจนสามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดและเครื่องบีบคั้นต่างๆได้คือสามารถจะหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้เนี่ยมนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้มนุษย์จะเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกและฝึกได้ ไ, ไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่เฉยๆแล้วมันจะฝึกได้เองหรือมันจะเจริญขึ้นเองไม่ยากโอ้โหถามว่ากว่าเราจะอ่านหนังสือออกเราต้องฝึกไหมต้องเรียนรู้ไหมเนี่ยโอ้โใช้เวลามากใช่ไหมใช้เวลาไม่ใช่น้อยเลยทั้งทั้งนี่เราไม่ได้ถูกสอนแบบเนี้สอนว่าเออมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องฝึก ทำด้านพฤติกรรมทางกายวาจาและอาชีพก็ต้องฝึกการที่มนุษย์เนี่ยใช่ไหมมันจะสองส่วนนะส่วนด้านกายกับส่วนด้านจิตใจการที่กายของเราจะได้อยู่ร่วมกันกับหมูค่คนณะจะได้กายจสามัคคีเนี่ยต้องมีวิในระเบียบแบบแผนการกดกฎะดิกาข้อตกลงร่วมกันมนุษย์ถึงจะได้กายจสามัคคีถึงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามการอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเราจะต้องมีวิในเป็นตัวฝึกเป็นข้อฝึกนะมีศีลเนี่ย เป็นข้อฝึกฝึกกายฝึกวาจาฝึกอาชีพของพวกเราเนี่ยให้การอยู่ร่วมกันด้วยการเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามแล้วก็ดูน่ารักดูสวยงามเช่นลองดูทีอีกคนนึงแก้ผ้าอีกคนหนึ่งนุ่งผ้าถามว่ามันจะเป็นระเบียบไหมเนี่ยอีกคนหนึ่งโกนหัวอีกคนนึงไม่โกนหัวนั่นมันจะไปกันระดัที่ระทางไหมอะเรื่องเลยกูไม่เอาเนี่ยอีกคนหนึ่งโกนหัวซะซีกนึ่ะไม่ได้เรื่องอะไรตรงเนี้ยเห็นไหม ก็ทำเหมือนกันมีด้านกายศสัมัีงั้นะมนุษย์ต้องมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันอีกคนหนึ่งอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะยกขาอยากจะนั่งก่อยห้างก็นั่งอย่างเงี้ยเนี่ยมันขาดกายาสัมคีนี่เขาเลยคนไม่มีวินยัยให้วินัยเป็นตัวจัดสรรระบบเปรียบแผนแบบแผนกฎกติกาข้อตกลงร่วมกันมันไม่ใช่เป็นคาว่ากฎเนี่ยมันไม่ใช่กฎกไก่อเด็กนะ ไอ้กดกอไก่ตัวเด็กมันเป็นกดกดดันบีบคัน้นกดทับแต่อันนี้มันกดกอไก่ต่อประดักเห็นไหมกดกอไก่ต่อประดักเขาแปลว่ากติกาหมายรู้กันเป็นกติกาเป็นเครื่องหมายให้รู้กันว่าเอออยู่ตรงนี้แล้วต้องทําอย่างนี้เลยกลายเป็นระเบียบกติกาทั้งหลายเลยเป็นข้อฝึกเลยอ๋อเป็นข้อฝึกเอเ อ, กอทําให้เราฝึกตัวเราเองไงฝึก ฝึกตัวเราเองให้ดูความให้ดูลงมดงามและเป็นระเบียบแบบแผนนี้เป็นต้นงี้มาจากการมีศรัทธานี่แหละก็ทําให้เราอยากจะฝึกแต่ถ้าคนไม่มีศรัทธาอยากจะฝึกไหมนั้นต้องมีความเชื่อมั่นว่าเออเราเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้อะไราจะฝึกพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาของเราให้เป็นไปกับศีลเอออยากฝึกขึ้นมาเลยเดีนี้โอ้โหยเกิดกระตือรือร้อนเฮ้ยห่มผ้ายังไงนะให้เป็นระเบียบเป็นวินัยดีโอ้โได้ฝึก ถูกบานยังไงนะทำนั้นยังไงหรือทำกิจกรรมยังไงล้างบาทยังไงกวาดยังไงเช็ดถูยังไงบินถบาทยังไงฉันยังไงโอเป็นข้อฝึกหมดเลยดูยังไงฟังยังไงดมกลิ่นริมรสทั้งหลายเหล่านี้เป็นบทฝึกเป็นข้อฝึกแหมฝึกใหญ่เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามองเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อฝึกเห็นไหมเพราะมีศรัทธาเชื่อมั่นในระเบียบแบบแผนที่พระเจ้าวางหลักไว้ พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนานนทำแล้ววินัยที่พระาศาสดาสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำแล้ววินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอหลังการลางไปถึงเราโอ้พระพุทธเจ้าปรินิพพานหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทิ้งพระธรรมวินัยไว้เอาวินัยเป็นระเบียบแบบแผนกติกาข้อตกลงร่วมกันธรรมะก็คือเป็นกลุ่นคุณธรรมทั้งหลายมีเมตตากรุณาุมิตาเป็นต้นสติปัฏฐานสมาธปัฏฐานเป็นต้นโอ้คำสอนพระพุทธเจ้ามีสองส่วนส่วนที่เป็นควบคุมกายวาจาจัดสรรกายวาจาระเบียบแบบแผนทั้งหลายเรื่องวินยัยนี่คือว่าศาสดา พระศ า, าสดากําลังจัดสรรระบบระเบียบแบบแผนกติกาทั้งหลายจัดพฤติกรรมทางกายทำวาจาอาชีพของเราเป็ น, ป น, ป น, ต, นตามระบบระเบียบแบบแผนโอให้ดูงดงามภายนอกเป็นกายสามัคคีส่วนธรรมะพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเป็นพระธรรมเนี่ยพระธรรมก็จัดด้านจิตใจของเราให้มีเจิตสา ม, ม, มัคคีนะให้มีให้มีสติปัฏฐานสมปาทานอิทธิบาทอินทรพ ร, ราพโภชงอริยมรรคพูดอย่างง่ายๆก็คือให้มีเมตตากรุณาเมตตาเวขาเป็นต้นใช่ไหม แล้วจัดสองส่วนเลยทั้งส่วนของกายศสามคัคคีวินัยเป็นตัวจัดส่วนจิตสามัคคีก็คือธรรมะเป็นตัวจัดสรรเป็นตัวเป็นตัวจัดสรรที่เกิดที่มีขึ้นดังนั้นตอนนี้เรากําลังถูกใครคัดจัดสรรหรือฝึกเราอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะพระธรรมวินยัยธรรมะก็เป็นจัดจิตของเรานะีปรับระบบจิตของเราให้มีจิตสามัคคีส่วนวินัยก็มาจัด กายของพวกเราให้มีกายศสามัคคีให้ยืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงพับผ้ายังไงถูยังไงเข้าห้องน้ํำยังไงปิดประตูยังไงโอ้โหเนี่ยวินัยเป็นตัวจัดสรรจัดระบบบนบนเลยแต่บางคนท้่เข้ามาไม่รู้เรื่องเลยฉันจะทําตามใจไม่ฝึกไม่จัดก็เลยกลับไปก็เลยไม่มีก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะไม่พระเจ้าไม่สามารถฝึกบุคคลเหล่านี้ไนดะ้แท้จริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ เราจะเข้ามาฝึกเรามีความเชื่อมั่นในบุคคลต้นแบบคือพระเจ้ามีความเชื่อมัน่นพระธเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้แล้วก็เจริญงอกงามได้ทั้งในด้านระเบียบชีวิตด้วยโอ้สามารถได้จากเป็นคนไม่มีระเบียบกลายเป็นคนมีระเบียบขึ้นชีวิตได้เออมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็ดูพระเจ้าที่ดูสาวว่าพระเจ้าที่ อยากที่เป็นคนไม่มีระเบียบแบบแผนใดๆเลยก็มาอยู่ในระเบียบแบบแผนดีงามได้โอ้โหมดงามใหญ่เลยทีนี้ย่ทรงผมก็เป็นระเบียบเครื่องแต่งกายก็เป็นระเบียบการกินอาหารก็เป็นระเบียบโอ้โหสุดยอดเลยใช่หมสองพั้าร้อยปีสอ0พปีโอ้โหเป็นอมตะที่สุดเลยไหมเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเป็นทรงผมก็อมตะชุดก็เป็นชุดที่อมตตะสุขที่สุดสุดยอดเลยลองคิดดูดิ ไม่มีชิดใดไม่มีทรงใดไม่มีรูปแบบใดที่ยืนยาวและเก่าแก่ที่สุดนอกนั้นล้มละลายกันหมดแล้วแต่โอ้โหระเบียบแบบแผนที่พระเจ้าจัดเขาไว้นี่เป็นระบบดีมากบอกว่าบัตรนี้เรามีเพศตามจากคืนหัดแล้วโอไปคําดูโอ้จริงด้วยหัวเราก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมออหนวดเคราเราทั้งหลายก็ถูกโกนถูกจัดออกหมดไม่เหมือนชาวบ้านนี่เครื่องแต่งกายเราก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขา แล้วก็ที่เราถือใบบินบาตก็ไม่เหมือนไม่เหมือนชาบ้านเขาด้วยไหมบาตรเนี่ยภาชนะที่เราใช้เนี่ยโองเราต่างจากเขาจริงๆด้วยวาจาบอกบัตรนี้เรามีเพศต่างจากเครือขันแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเธอควรทาอาการกิริยานั้นๆนะเออของผู้สงบบาปทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจเออให้อยู่อย่างผู้สงบไม่ใช่เอออาโวยวายนักบวชบางคนอชอบเอออาโวยวายนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ยังไม่มีเรอยู่ยังไม่มีวินยัย อยู่อย่างไม่ประพฤติตามวินัยหรือ อ, อยู่อย่างไม่มีวิเวกเพราะประมาศ า, าสดาอยู่อย่างวิเวกแต่พวกเราเป็นผู้ไม่ประพฤติวิเวกก็โดนตําหนิเลยโอ้ภาษาสดางดงามแท้ทําไมสาวกของภาษาสดายุคนี้เหมือนลิงเลยลุกลี้ลุกลนเหมือนลิงเลยโอหน้าอายก็นนะใช่ไหมถูกตําหนิภาพพิงไปถึงพระธเจ้าด้วยโอพระเจ้าก็พลอยโดนตําหนิไปด้วยเพราะเรานี่เองไย แม่พระริจ้าเนี่ยจัดระเบียบแบบแผนไว้อย่างดีพวกเรามาที่หลังเดินไปจัดเสียทําความเสียหายหเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อมั่นตรเนี้ยว่ามนุษย์จะสามารถเจริญงอกงามได้ทั้งในด้านระเบียบชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายวาจาทั้งในด้านคุณธรรมปโอ้ฝึกได้หมดเลยกายก็ฝึกได้วาจาก็ฝึกได้ใจก็ฝึกได้สามารถที่จะทําให้กายวาจาและอาชีพเนี่ยเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทรงวางไว้ได้ นี่จัดระบบทางกายกา ย, ยสามารถขีได้ด้านจิตใจเราสามารถจะให้คุณธรรมเกิดขึ้นมาได้ทั้งเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาก็าให้มีให้เกิดขึ้นมาได้ศีล ส, สมาธิปัญญาก็สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ในจิตใจนี่ทั้งด้านคุณธรรมโอ้โหได้ได้เป็นการได้สมัคคีสองส่วนเลยทั้งกายสามัคคีและจิตสมคัครคีโอ้โหนี่ฝึกใหญ่เลยเนี่ยนตรงนี้นะด้านและอีกอย่างหนึ่งด้านจิตใจมีคุณธรรมไม่พอทั้งด้านปัญญาด้วยความรู้คิดเหตุผล จนสามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดบีบคั้นเป็นต้นได้ด้วยที่เรียกว่ากิเลสและกองทุกมนุษย์ทำให้ทุกสิ้นไปได้ประสบภ่าเป็นอิสระดีงามล้ำเลิศสมบูรณ์ได้ทีนีน้ในการที่จะเข้าถึงภาวะที่ประเสริฐเลือดอย่างนั้นได้ไม่มีสัตว์วิเศษใดๆที่จะไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมารเลยพรมที่จะรูปประเสริฐได้มีความสามารถเกินมนุษย์ไม่มี ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าหรือไม่มีใครที่จะสามารถโดนบันดาลให้ใครประสบความสําเร็จได้แต่มนุษย์เนี่ยต้องฝึกแล้วก็สามารถฝึกตนเองได้จนสามารถทํากิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปได้เข้าถึงความสูงสุดนะเข้าถึงความประเสริฐได้แม้แต่เทพและเทวดาทั้งหลายอย่างหันมานอบนอบ้อมมากราบกรา บ, ราบมนุษย์ที่ฝึกได้แล้วพระพุทธเจ้าพอฝึกได้แล้วโอ้โหทั้งเทวดาพรหมทั้งหลายเนี่ยหันมานอบนอบ้อมมากราบ ภาษาริบุตรพระโมคคารนะทั้งหลายงเป็นสาวกพุทธิยามันกันนะพอฝึกได้แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ลิศสมเณรรูปแรกในพุทธศาสนาชื่อเนอะไรรู้มั้ยสามเณรลาหุนสมเณรลาหุนสามเณรลาหุนเป็นนิพพานที่ไหนรู้มเป็นนิพพานที่เดาดึงไม่ได้นิพพานที่โลกมนุษย์ตอนมดอายุท่านหาเป็นนิพพานบนนี้โอ้โหขนาดนั้นมีฤทธิ์ขนาดนั้น มีคนที่ฝึกได้แล้วเนี่ยแม้เทียบแม้เทวดาแม้มารแม่พรมตั้งหลายท่านมากราบกรารนอกนอก้องมีอยู่ข้างนึงนะตอนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเออไม่ใช่เท้าสกา่มามองพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ปลุกพาราบที่ของฝ่อพร้อมในเทวดาพระพเจ้าก็แสดงธรรม ท, ทีนี้พระโมฆลารานะก็ก็อยู่ห้อง ใ, ใกล้ๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ยิน ฟังพยายามจะฟังนี่นะว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรผลปรากฏว่าไม่ได้ยินพอเทศจบจบปุ๊บเท้าสก่ารพร้อมด้วยเทถยเทพกลับกับวิมานตนัวเงเลยหมดแล้วพระโมคคารนะก็เลยเข้าจจตุทชานเอาจจตุทชานชาตที่สี่เป็นฐานแสดงฤทธ์เหาะตามไปเล ย, เลยนีหาะไปบนเดาดึงตอนนั้นเท้าสก่ากำลังเพลินอยู่เลย กำลังจะออกไปเที่ยวไปเที่ยวอุทยานนีบนนู้นจะมีสวนสวนจิตระ ด, ดาสวนนันทวันเนี่ยสวนปารุศกวัรเนี่ยอยู่บ น, น, นเดินดาวดึงทั้งหมดกําลังพากลุ่มเทวดา เ, เทพธิดาทั้งหลายจะไปเที่ยวชมพอพระเทระเนี่ยพระโมคคารนะอัครสาวกเบื้องซ้ายพุทธิยานเนี่ยขึ้นไปปุ๊บโอ้โหท้าศกะเห็นกันนะหันมากราบมานอบนอบ้อมบูชาวู้พระเทเรนมาเยี่ยมชม ที่เมืองของโยมโอ้ยเลยเลยอวดนอยากจะอวดว่าเนี่ยเมืองของโยมนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เลยชี้ไปเนี่ยดูที่เนี่ยสวนนันทวันสวนปารุษกวันน์นะแล้วก็ชี้ไปที่เนี่ยไอ้ตรวไงปราสาทเวทยันตปราสาทเวทยันตรรด ท, ทั้งหลายเป็นต้นอ้ยปราสาทที่มีนางสนมกำนันเนี่ยสามโกรธึ้น ส0ล้าน3 5ล้านถ้าสการนี้มีภรรยา3 5ล้านคนแต่ละนางนี่โอ้สวยงามมากเลยดูที่เนี่ยนะก็ต้องการอยากจะ อ, อวดพระเดระโอ้โหดูบุญของโยมดิมั่นคงมากแล้วก็งดงามมากอันนี้เป็นสมบัติของโยมเกิดจากบุญของโยมยมเจริญกุศลมาดูที่เนี่ยโอ้โหดูเวทชยันตประส า, าทมีความมั่นคงมาก พระเถรลัขึ้นไปเนี่ยต้องการจะไปถามอะไรรู้ไหมต้องการอยากไปถามบอกว่าพระริเจ้าเทพเรื่องอะไรพอไปถามงี้ปุ๊บเนี่ยพ้ปรกากฏว่าท้าสก า, ก า, ก า, ก า, กาบอกลืมแล้วนึกไม่ออกเพราะไปบนน้นมันเพลินมากสวรรค์บนตาวดึงเนี่ยมีความงดงามมากแล้วก็นางเทพ อ, อักษรก็มีความงดงามมากขนาดพระนันทะเนี่ยขนาดพระนันทะเนี่ยเคย มีภรรยาใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยแต่งงานวันแรกที่พุทธเจ้าให้ถือบาตรตามมานางชนบทกาลยานีเนี่ยเป็นนางงามจักรวาลเนี่ยแต่งงานกับท่านนันทะเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยพุทธเจ้าไปเอานันธาออกมาวันนั้นเลยพอมาไปเสร็จมาถึงวัดถือบาตรตามพระพุทธเจ้ามาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกนันธานเธอจะบวชหรือก็เลยต้องรับปากพระเจ้าพระเจ้าข้า นึกในใจว่าบวชแค่78วันก็จะสึกแล้วเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วก็ไม่มีอันทํากิจอื่นแล้วคิดถึงนางชนบทกาญยาณีตลอดพระเจ้าก็เลยถามบอกว่าอยากจะไปอยากจะไปเดาดึงไหมอยากจะดูนั้นท้าระมาณท่านเป็นคนราค้าเจริญกันเนะชอบดีบอกไปอถ้ามีคนมีฤทธิ์เนี่ยมาชวนพวกเราไปเดาดึงอยากไปไหมล่ะไปดูเทวดานี่ยโอ้โหไปก่อนจะไปปุ๊บพระุทธเจ้าให้เขียนตอนนั้นมีลิงตัว ลิงแก่ตัวหนึง่งนั่งอยู่บนตอไฟไหมหางด้วนเนี่ยก็ชี้ถามวันนี้อะไรนั้นท้าปกลิ้งแก่นางลิงแก่ตัวหนึง่งหางด้วนไฟไหมนั่งอยู่บนตอเราจไว้นนัเนี่ยพระติาก็จับมือพรนันทาแล้วอธิษฐานด้วยฤทธิ์ปุ๊บขึ้นไปบนเราดึงไปเขีนนางเทพักษรก็ยังเหมือนเนี่ยเหมือนที่ว่าคำโบราะขึ้นไปกันเอทั้นองแต่เพราะหลานท่านมีเวลาคาทางใจแล้วแต่นั้นทาตอนนั้นเป็นบูชน พอเห็นนางเทพอักษรนี่ตลึงแลงามมากก็เลยถามวันนั้นท้านางเทพอักษรเหล่านี้งามไหมโอ้โหนงามมากพระเจ้าวา่าถ้าเธอปฏิบัติเข้าถึงธรรมะในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยตถาคตยกให้หมดเลยเนี่ยแล้วถามว่าลองเทียบดูทีนางเทพอักษรเหล่านี้กับนางชนบทกรยานีใครสวยกว่ากันโอ้โหนันทาบอกว่า แม้ Billie, ถ้าเทียบเนี้ยนางชนบทกาลยานีนะเหมือนลิงแก่ตัวนั้นแหละเหมือนลิงแก่นั่งอยู่บนตอเลยถ้าเทียบนิ้วดูที่ขนาดนางงามจักรวาลเนี่ยถ้าไปเทียบกับเทวดาในชั้นดาวดึงนี่นะนางเทพอักษรเหล่านั้นเนี่ยเทียบถิ่นเหมือนกับลิงแก่หางกุดด้วนน่ยนางลิงแก่ตัวนั้นเราคิดดูทีที่เราว่าผู้หญิงในโลกนี้สวยที่สุดเนี่ยถ้าเราได้ไปเห็นนางเทพอักษรในดาวดึงแล้วจะต่างกันยังไงฟ้ากับดิน เราจะเลิกลักผู้หญิงในโลกนี้ทั้งโลกเลยมันจะขนาดนั้นเลยโหน่าน่าสะเทือนใจแล้วว่าเราเราก็เคยเห็นว่ามันสวยสุดแล้วใช่ไหมผู้หญิงในโลกที่เป็นนางงามจักรวาลที่มันคัดสรรกันมาโอ้ถ้าไปเที่ยวกันางเทืกอกษราี่คนณระยุคนละคนละเรื่องเลยเท้าสากัดทั้งหลงเลตอนนี้เรากลับมาใหม่พระโมกขลานะก็เลยบอกโอ้โหเท้าโคสีนี่หลงโมประมาณเนี่ย ถามว่าขนาดไปเมื่อกี้หยอกหยกไปฟังธรรมอยู่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรพอกลับขึ้นมาบนดาวดึงก็ลืมแล้วท่านก็เลยเข้าจตุทชานของท่าน่นนะชานที่หนึ่งสองเอาเป็นฐานในการแสดงฤทธิ์ท่านก็ทิฏฐานให้พื้นของเวทขยันประสาทเนี่ยเป็นน้ําเลยเข้าอาโปกสินเนี่ยเป็นน้ําทิงจรแล้วก็เข้าวายโยกสินอีกรอบหนึ่งให้เป็นลมพัด แล้วพระเถระก็ใช้เท้าเนี่ยใช้หัวไม่ไมเท้าเนี่ยเข้าไปสกิดสกิดเกยตัวเวชยันปราศาสเนี่ยสกิดนิดเดียวโอ้โหเวชยันปราสาทเนี่ยไหวไอตัวยอดของเวชยันปราศาทที่มีนางเทพษรตั้งสาบหล้านอยู่วูบลงเลยวูบลงมาตกกับพื้นมางั้นเถอะ ร้องนง้ําเทพักษรร้องกันสะดุ้งกลัวมากเหมือนแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อ่ะว่ากั้นเถอะเท้าสก่าอุท า, กก า, านถึงพุทธเจ้าเลยพุทธังสะระนงังก็ชาวพีขึ้นมาแล้วนึกถึงว่ากลัวตายอ่ะใช่ไหมตัวไว้ก็เนะนี่ยนโมพุทธายะนโมพุทธายะขอถึงพุทธเจ้าเลยขอนมัสการพุทธเจ้ทาทันทีแล้วนึกถึงเทา้าพระเถรสก็หันกับพระถาว่าท้าโกสี จำได้อยังพระเา้าเทศเรื่องอะไรพอจําได้แล้วพระเจ้าเทศเรื่องไม่ให้ประมาทไม่ประมาทก็เลยเล่าเรื่องที่ไปฟังหัวใจฟังจําได้หมดเลยเห็นไหมพอเรื่องกรรมาคุณมันหลุดจากใจปุ๊บนี่ยมนุษย์มันก็จำได้กลัวตายมันคินึกถึงที่พึ่งตัวนี้กิเลสหลุดจากใจพวกก็นึกถึงพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้ น, เ, นเห็นไหมพระเทเรซเนี่ยต้องการชี้ดูว่าไม่ได้มั่นคงอะไรเลย กำลังบุญของเท้าส ก, กาาก็กระจอกมากเพงาั้นเธอจ่สู้พระราชนาไัยไม่ได้ฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ยิ่งกระจอกใหญ่ผลบุญที่เราได้รับกันเนี่ยถ้าแผ่นดินไหวตรงนี้สักปาดลิตร์ตายหมดไม่เหลือไม่สามารถจะคงทนได้หรอกไม่รู้จะขยับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบุญพวกเราที่เลยต่ามาก อันนี้ขนาดบุญของท้าสกายยังพระเถระยังส ก, กิดให้ดูเลยบอไม่ได้มีอะไรเลยกระจอกว่างั้นไหนกามาวจรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอันนี้พระเถระที่ท่านได้ถึงโลอุตละรับบุญระดับโลภุตละแล้วนั่นมั่นคงถาวรไม่หวั่นไหวกําจัดภัยในสังสารวัฏได้แล้วท่านก็เลยทําให้ดูเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมนุษย์ที่บา้บาบอหลงกันอยู่เทวดาที่บ้าบอหลงหลงในกามหลงในกิเลสกามทั้งหลายซึ่งไม่มีความมั่นคงใดๆเลยภัยทั้งหลายจะมาถูกตัก จะมาประหารประหารวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ตัวกันอยู่ด้วยความมัวเมาอยู่ด้วยความมืดบอดตรงนั้นเห็นไหมท่านชีเห็นไงพอเข้าใจอย่างพระาราชนาฏัยอ่ะพอจะมองเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนั้นบุคคลที่ฝึกตนเองจนถึงภาวะที่ดีเลิศแล้วก็เป็นผู้มีความดีอย่างวิเศษอย่างมากมายฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นบุคคลที่สมควรที่จะดำเนินตามเมื่อมนุษย์มั่นใจในความสามารถที่จะทําได้เช่นนั้นก็เพียรพยายามเลย จะสร้างความดีทั้งหลายหาย่านี้ให้เกิดขึ้นในตนแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่บุคคลต้นแบบนั้นได้ค้นพบและนํามาแสดงไว้นี่ความเชื่อในพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าก็เกิดมั่นใจในพระพุทธเจ้าโอ้โหเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีปัญญาตรัสรู้สัจจสิแล้วก็ต้องการอยากจะฝึกฝนตนเองเนี่ยให้สามารถดับกิเลสและกองทบตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ามาในฐานะเป็นมนุษย์ดี่แหละแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาให้ดูเลยแล้วยังสอนบุคคลอื่นนี่รู้ตามเลยนะหัวเงินเดือ แล้วก็มั่นใจตรงนี้นี่คือความมั่นใจในพระธรรมสองความเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งแล้วก็ประยะิยัติธรรมคือคําสอนนี่แหละว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ แ, แสดงไว้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ปฏิบัติจนเห็นผลประจักษ์กับตนเองมาก่อนแล้วเรียกว่าค้นพบก็นํามาเปิดเผยนํามาแสดงนํามาบอกกล่าวทำมานั่นเป็นสภาวะที่ดารงอยู่นะมรรคสีผลสีเนี่ย 4, 4, นิพพานเนี่ย เป็นไปตามธรรมดาของมันเองเป็นกฎเกณฑ์อันแน่นอนเป็นนิยามที่เป็นไปตามเหตุผลที่เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาตินี่แหละไม่ขึ้นกับการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้ทาทางนี้พระเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็มีอยู่เจ้พระเจ้าเป็นบุคคลพบทางนี้ค้นพบหลักการอันนี้แล้วก็นํามาเปิดเผยนํามาแสดงนํามาบอกกล่าวนะตรงนี้เป็นสภาวะธรรมะเป็นกลางเที่ยงเที่ยงธรรมต่อทุกคนโดยท้าทายต่อปั ญ, ญญาและความเพียรพยายามฝึกฝนอบรมของมนุษย์ด้วย บุคคลทุกคนเมื่อพัฒนาตอนให้ถึงพร้อมแล้วก็มีปัญญาแก่กล้าแล้วก็รู้แล้วก็รู้ถึงประจักษ์กับตนเองแล้วก็สามารถเมื่อรรู้ถึงแล้วก็สามารถแก้ปัญหาระดับทุกหลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงด้วยเงี้ยตรงนนาานเนี้ยมันท้าทายเมอเนี้ยมรสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็พระธรรมพุทธญาวางแบบแผนเหมือนแผนที่ก่นมันท้าทายมาก ถ้าทายหมือนเดถ้าเดินตามแผนที่เดินตามหลักการนี้แล้วจะสามารถดับกิเลสและกองทุกข์แก้ปัญหาได้เพางั้นถึงโอ้โหที่ท้าทายแล้วเลยเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเอาละเราจะเดินตามหลักการที่บุคคลต้นแบบค้นพบแล้วก็วางหลักการเปิดเผยไว้เราก็จะนี่เชื่อมั่นในแผลเชื่อมั่นในหลักการอันดับแรกก็คือเชื่อมั่นในปริยัติธรรมก็คือคําสอนที่ประดุจดังแผนที่เป็นตัวชี้ทางเนี่ยฉันจะเดินตามทางนี้แหละ พอไปเข้าสู่บรรลุอริยมรรคอริยผลและนิพพานได้และสามารถดับกิเลสและกองทุกข์ได้จริงเนี่ก็เกิดความเชื่อมั่นในพระธรรมเราเชื่อมไหมตรงเนี้ยการเชื่อมั่นตรงเนี้ยก็เชื่อมั่นในหลักการตัวนี้ประการต่อมาคือความเชื่อมั่นในพระสงค์มั่นใจในสงฆ์ชุมชนหรือสังคมแบบอย่างซึ่งเป็นสักขีพยานยืนยันนะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีความสามารถที่จะบรรลุ เข้าถึงความดีงามสูงสุดได้อย่างบุคคลต้นแบบได้แต่ชุมชนหรือสังคมนั้นน่จะมีขึ้นเป็นไปได้ก็ด้วยการยอมให้ธรรมะคือความจริงความดีงามนี้แต่ปรากฏเป็นผลประจักษ์ออกมาทางบุคคลและด้วยการปฏิบัติเนี่ยชุมชนหรือสังคมนี้ประกอบด้วยบุคคลทั้งหลายคือผู้ฝึกปรือและศึกษาแล้วก็หมายความว่าชุมชนที่เป็นพระโสดาบันสกท า, านาคาผานเป็นบุคเป็นชุมชน แบบอย่างตัวอย่างเว้เป็นชุมชนที่น่าเข้าไปอยู่เราก็เห็นว่าโอ้โหบุคคลที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมแล้วก็เห็นว่าชุมชนนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เอ้าเราอยากเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกของชุมชนนี้บ่ะโอ้โหเกิดความเชื่อมัน่นเพราะเชื่อมั่นว่าชุมชนนี้ดีจริงแล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกของชุมชนนี้ พอปรารถนาอยากจะอยู่ในหมู่มวลสมาชิกของชุมชนนี้โอ้โหเดีนี้ก็ตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ย ย, ยังเข้ามาบวชเนี่ยชัดเลยเราต้องการเป็นลำดับแรกเป็นสมมุติสมฆีแปลว่าเราพร้อมนะพร้อมเราเชื่อมั่นในบุคคลต้นแบบคือพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคือหลักการเชื่อมั่นในวินยัพยพระญาติแสดงเดียร์ทำแล้ววินัยจะเป็นาศาสดาเอาแนละยอมทําตามระเบียบแบบแผนนะั้น อาปร่งผมปรงหนวดเอาทำตามให้ทํานุ่งผมผ้ากาสายะเออนุ่งอีกเหมือนกันแล้วก็มาศึกษาระบบระเบียบแบบแผนที่พระองค์ทรงวางหลักไว้เออศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยเอาละทางด้านกายสมรคีได้แล้วด้านจิตจิตสมรคีด้านจิตใจเอาละเราจะฝึกปลือเต็มที่เลยเนี่ยฝึกทั้ง2ด้านเลยทั้งด้านรูปแบบทั้งด้านกายและด้านจิตใจเนี่ยเราต้องการจะฝึกจากสมมติที่สงเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์ในด้ต้องการเข้าสู่ชุมชนต้นแบบในด้าน เนี่ยเราก็มีหลักการทั้งหมดเลยแล้วก็มาฝึกกันใหญ่ตอนเนี้ยตอนนี้ฝึกกันตลอดเวลาไหมฝึกไม่ฝึกมันตั้งใจตลอดว่าเราจะต้องเข้าสู่ความเป็นเป็นสมาชิกของชุมชนอรารยสังฆะนั้นใได้คิดอย่างนี้ไหมบองขคิดไหมหรือหรือไม่ตั้งใจเลยคิดไหมคิดแบบนี้ไหมว่าเราจะต้องฝึกตนเองทั้งด้านระเบียบแบบแผนทั้งด้านจิตใจเนี่ยเพื่อเข้าสู่ ชุมชนที่เลิศที่เพศนั่นเองนะ้วเรามั่นใจว่าชุมชนนั้นปลอดภัยเข้าอยู่ในสมาชิกนั้นได้เมื่อไหร่โอ้โหเราสบายแล้วใช่ไหมนี่ตอนนี้เราได้พาสปอร์ตแล้วนะเราสามารถที่จะเดินได้เดินทางได้แล้วได้พาสปอร์ตคือได้ได้เข้ามาสู่เป็นสมาชิกชุมชนแล้วแต่ว่าเออคุณจะต้องฝึกตัวเองนะตอนนี้คุณยังเป็นสมมติที่สอยู่นะสองโดยสมมติอยู่นะต่อไปมาฝึกตัวเองท้่ด้านระเบียบแบบแผนกฎกติกาด้านด้านด้านกาย ด้านจิตใจฝึกปรือด้วยในการที่จะฝึกสีให้เกิดขึ้นฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นแม้ถ้าฝึกได้จนสูงสุดเมื่อไรปุ๊บเมื่อไรสามารถกระจัดกิเลสและกองทุกได้แล้วก็เป็นสมาชิกของชุมชนนะัออ้นก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชณาธิญตเรียบร้อยเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยในด้านอย่างนี้ก็เรียกว่าความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไปไปมาก็เลยเชื่อหลักการที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบ เชื่อห ก, การที่บุคคลต้นแบบมาบอกมาเปิดเผยมาประกาศไว้แล้วเขาเชื่อบุคคลว่าพระเจ้าตั้งชุมชนอาริยสังฆาขึ้นมาสังฆาขึ้นมาเป็นชุมชนที่เลือกที่ประเสริฐ จ, จริงๆและเราต้องการเข้าเป็นหมู่มวลหมู่สมาชิกของชุมชนนั้นให้ได้เนี่ยตอนนี้เราก็ฝึกกันเต็มที่เลยทุกวันเลยใช่ไหมต้องการจะเข้าสู่ที่แหละในหมู่หมู่ชนนี่แหละทีนี้ลักษณะนี้เราศรัทธาประการต่อไปก็คือในเรื่องของศีล เรื่องศีล น, นะศีลก็คือมีศีลที่เป็นศีลหลักที่เรียกว่ปาปาฏิโมกข์สังวราศีใช่ไหมศีลแม่บทศีลที่เป็นประธานนั้นศีลที่เป็นประธานเนี่ยถ้าเป็นของภิกษุก็2องยี่สิเจ็ดสิกขาบท น, นี่มีข้อฝึกทั้ง2องยี่สิเจ็ดสิกขาบทแต่เป็นของสั ม, มเนนสิบบวกเจ็ดสิบห้า เป็นเท่าไหร่ก็แปดสิบห้าสิกขาบทไม่ใช่สิบข้อนะต้องเสเขียววัดอีกเจ็ดสิบห้าอันนี้เป็นข้อฝึอกหมดเลยใช่หมนั่นแหละก็รวมเป็นแปดสิบห้าข้อของพระสองร้อยี่สิบเจ็ดสิกขาบทของสมนเนียนก็แปดสิบห้าสิกขาบทนี่เป็นข้อฝึอกโอ้ฝึกกันใหญ่เลยฝึกไหม ที่ระเบียบจัดสรรทางกายโ oh, อ้ยเขาหมาแ้วหมอมั่นใจว่าเออระเบียบความประพฤติแล้วถ้าพูดเต็มความหมายอย่างแท้จริงก็คือระเบียบความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางด้านกายวาจาตลอดถึงการทํามะหาเลี้ยงชีพเนี่ยพวกเราเราไม่ไปเรื่องเราไปบินธ บ, บาร์ด่ห็นไมเรื่องเสกียวัตรเท่านั้นแหละเรื่องเสขียวัตรนั่นเป็นระเบียบที่เราไปฝึก ในขณะที่เราไปฝึกเนี่ยฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของเราให้เป็นสีโอ้ยในขณะที่ฝึกก็มีความสุขในการฝึกมีไหมมีความสุขไหมเวลาปัดกวาดเช็ดถูเอยสักจีวอเอยทํากิจกรรมต่างๆมีความสุขไหมเนี่ยใจมีความสุขคัดห้องน้ำอุ้ยมีความสุขเลยยิ่งทำใจยิ่งมีความสุขโอยิ่งทาสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งมีความสุข เวนั่งนั่งยังไงนะที่เป็นศีลนะนะนั่งยังไงที่ไม่มีศีล น, นั่งแบบไม่เรียบร้อยทํำยังไงโอ้โอย่างนี้นี่ไม่ได้ฝึกนั่งสัตว์แต่ว่านั่ง<ม>นั่งหรือคนมีกิเลสนั่งนั่งให้กิเลสเบียดเบียนบีนบคั้นตลอดเวลาเนี่เนี่ยเป็นข้อใะตัวนี้ก็คือว่ากําหนดวางไว้เพื่อทําให้ความเป็นอยู่นั้นกลายเป็นสภาพที่เอื้ออำนวยแกายการปฏิบัตกิกิจต่างๆด้วย ที่เป็นไปเพ่าจุดหมายที่ดีงามเป็นอุดมคติของคนในสังคมและชุมชนนะนั้นระเบียบลักษณะอย่างเงี้ยก็คือลักษณะเป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะทําชั่วไม่ไม่ให้ความชั่วมันออกมาทางกายวาจาและอาชีพปิดเลยปิดบาปเลยตัวศีลเนี่ยจริงๆเป็นตัวปิดบาปนะสังวรละสังวรนะแต่นั่นแปลว่าปิดบาปปิดบาปทางกายวาจาไม่ให้มันเพ่นพ่านออกมาและทางอาชีพทั้งหลายก็ไม่ให้มันเพ่นพ่านออกมาเลย ฉนัน ก, ก, ก, กย า, า, ากยกายก็รเรียบร้อยดีงามวาจาก็เรียบร้อยดีงามอาชีพก็บริสุทธิ์เรียบร้อยดีงามปิดบาบซะเลยทั้งอ่าพอปิดบาปทางกายทางวาจาทางอาชีพเบ็เสร็จแล้วเออมันยังไม่ใช่มีแค่นั้นเนี่ยยังมีสีอื่นต่ออยูล่ลยแต่เนี้ยอินเตรเรียสังวาสีน่ะมันยังตายังมองดูเยอะปิด บ, บาบทางตาอีกแตเนี้ยไม่ไม่ไมราคาโทวสามโมหะไหลลงสู่จิตนะปิดบาบทางหูอีกอย่าให้บาปเข้าราคาโทวสามโมหะไหลลงสู่จิตทางทวารจมูกอีกทวารลิ้ทวารกาย รวมถึงทวารใจปิดทั้งหมดเลยสิ้นเรื่องไว้เดี๋ยนี้โอ้บาปไม่ลงแล้วเี๋นี้โอ้โหสีลที่เป็นข้อหลักทางกายวจาจัทางอาชีพก็มีปิดบาปไม่หไหลเข้าไปราคาตัวสามโมหะบาบไม่เข้าแล้วเอา้ามันจะละเอียดก็ไปก็ทางด้านอินทรีสัมวรณ์ทางด้านการเลี้ยงชีพโอ้โหแม้ทางด้านกินอาหารพิจารณาใช้ปัจสอยปัจจัย่ใช้ปัญญาวิจัยบดปิดบาปหมดเลยเดียเยวนี้ โอ้โหดูงดงามทุกเรื่องใช่ไหมนี่ด้านสีนะันเป็นอย่างเงี้ยโอโย้บาปราคาโทรศัพท์โมหะไม่ไหลเข้าสู่จิตเลยนเดี๋ยวนี้กายก็เรียบกายก็สะอาดกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยอาชีพก็บริสุทธิ์ในการดูในการดูในการฟังในการดมในการลิ้มในการสัมผัสเย็นร้อนในการคิดนึกทั้งหลายเหล่านี้ก็ปิดบาปได้อีกก็เป็นสติสังวรสติมีกำลังอะไรางเงี้ยปิดบาป ส่วนด้านปฏิโมกข์สังวรคือมีความศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นที่จะฝึกตัวเองทใงด้า น, านกายวาจาและอาชีพให้เป็นกุศลอันนั้นความเชื่อมั่นเป็นประาร ธ, ธานคือศรัทธาถ้าด้านอินทร์สังวรก็สติเป็นประธานเอาสติมาเป็นใหญ่ถ้าด้านังวิริยะสังวรหรือว่าอาชีวะบริสุท ธ, ธ, ธิ์ี่ศีลการเลี้ยงชีพนี่เอาความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นใหญ่เป็นประธานถ้าปัจเจเวขณะหรือปฏิยาสนิสิตศีลก็เอาปัญญา อปัญญามาเป็นใหญ่ในการวิจัยแยกแยะซะเลยนะพิจารณาไม่ใช่เพื่อตอบสนองปัญหาเลยจะเป็นไปเพื่อการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของการกินการใช้กีวรการเครื่องยาอาหารเป็นต้นตลอดทั้งที่อยู่อาศัยเนี่ยไปไปมาศีลเลยปิดบาปไปหมดเกือบหมดไหมเนี่ยรวมกายวาจาและอาชีพ บ, บริสุทธิ์เถอเผยแม่บาปลงสู่ใจฉะนั้นบาปหยาบๆทั้งหลายเหล่านี้เรียบร้อยไป ก็ไม่มีกายเยืทุจริตวิีทุจริตและมโนทุจริตก็ไม่ออกมากุศลกรรมาบทนี่สบายเลยเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าการลักมดเว้นจากการบุพเพผิดในกางไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่โกรธและไม่เห็นผิดเอาแล้วเนี่ยคุมไปทั้งหมดเลยทั้งกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดได้และด้านกายวาจาด้านจิตใจระดับกิเลสหยัดหยาไม่พุกพันแล้วนี่ด้านศีลหลักการอยู่ตรงนี้ ว่าจะสัมพันธ์กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสีเป็นตัวกำ ก, กับคนเดงด้านศีลที่เป็นไปกับด้านของปัญญาบ้างสติบ้างเป็นไปกับความเพียรบ้างเนีเป็นไปกับศรัทธาความเชื่อมั่นบ้างโอ้โหแบนี้ชีวิตก็เลยเป็นการฝึกทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรก็เป็นเรื่องการฝึกเนี่ยลักษณะอย่างนี้เกิดความเชื่อมัน่นว่านี่แหละเราจะฝึกผลพัฒนาตนเองจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นพุทธะให้ได้ โอ้ก็เกิดความเชื่อมั่นใหญ่ฝึกฝนตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ข้อฝึกแต่นี่ก็เกิดกระตือรือร้นในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเรามีรูปแบบมีแบบแผนในการฝึกเข้าถึงได้แน่ <c oughs> นอนใช่ไหมก็มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่ใช่ว่าอทําไปก็ลังเลสงสัยจะได้หรืออย่างเราเนี่ยไม่ไหวแล้วมั้งอะไรไม่ใช่งี้ยเลยโอ้ตั้งใจเต็มที่เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมด้านสี ก็คือเป็นการฝึกอบรมชีวิตด้านกายด้านวา จ, จาของบุคคลให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นไปในอันที่จะสรุปผลและทำกิจเช่นนั้นได้ด้วยเนี่ยลกักษณะอย่างเงี้ยโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าด้านสีนเนี่ยมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นล้านสัมพันธ์กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็ปฏิบัติได้ถูกหรือว่าจะปฏิบัติต่อสภาพทางด้านกายวัตถุ ทางด้านวัตถุสิ่งของต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดทั้งหลายเหล่านี้ตึกรามบ้านช่องที่เราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติได้ถูกก็มีตัวศีลเป็นตัวกำกับเป็นข้อฝึกอา้าวพัฒนาไปหน่อยอีกด้านนี้ก็คือด้านมนุษย์ต้านสังคมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเครื่องของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองก็ปฏิบัติต่อการได้ถูกสมัมมานนก็ปฏิบัติต่อพระได้ถูกพระก็ปฏิบัติต่อสมัมมานได้ถูกนี่อยู่ร่วมกัน สามเณรและพระปฏิบัติต่อญาติโยมได้ถูกญาติโยมก็ปฏิบัติต่อภิกษุสามเณรได้ถูกการปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ก็เรกมีศีลเป็นตัวกำกับมีการปฏิบัติต่อกันถ้าไม่มีศีลก็โอ้โหก็ไม่มีข้อกลุกก็อยู่อย่างปล่อยบาลแล้วเลยไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาอะไรเลยมนุษย์เนะี่ยอยู่ไปสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆสักแตัวหายใจทิ้งเขามีชีวิตยอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วคนเดียวเหมือนคนตายแล้วไม่ต่างอะไรกันหรอก อยู่อย่างเล่นๆไปวันๆเนี่ยอยากเล่นอะไรก็เล่นอยากทําอะไรก็ทําอยากกระโดดก็อยากกระโดดอยากคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปทั่วมั่วไปหมดไอ้อย่างงี้ก็เลยว่าสัตว์แปลว่าหายใจทิ้งไปวันๆมีชีวิตอยู่เหมือนคนตายแล้วแต่เราใหม่นักบวชไม่เป็นอย่างนั้นพุทธบริษัทไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้พุทธบริษัท่ยคือผู้มีความเชื่อมั่น เ, เชื่อมั่นในได้หเชื่อมั่นในพระตถาคตมี ต, าตาถาคตาโพธิสัทว์ชัดเือ เ ช, เชื่อมั่นในบุคคลต้นแบบเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เป็นมนุษย์ยท่านฝึกได้เราก็จะฝึกตามทา่านได้เชื่อมั่นในพระธรรมที่ท่านมาเปิดเผยบอกกล่าวเชื่อมั่นในชุมชนของอาญาสมว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในสมาชิกชุ ม, ช, มชนนั้นได้อ้าวแต่นี้ต่อไปเชื่อมั่นหลักการและข้อปฏิบัติและศีลเออหลักการแต่นี้แหละเอาละเราจะฝึกกายฝึกวาจาฝึกอาชีพทางตา ห, maintain, หูจมูกเล่นกายใจก็จะฝึกด้วยท้งด้านอาชีพก็จะฝึกด้วยและทางด้านการกินการอยู่การใช้สอยการบริโภคก็จะฝึกด้วย โอ้โหได้ฝึกทั้งทุกเรื่องเลยเลยนะีดน่ด้านดันก็ตรงก็คือว่าทําให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลในการปฏิบัติต่างๆทั้งพัฒนาตนเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลําดับเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตด้วยประการต่อมากือทาให้สมาชิกสังคมและชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดีก็คือสังคมก็สงบเรียบร้อยด้วยสมาชิกต่างก็ดารงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนโดยสะดวกด้วย อาการที่3ก็คือฝึกขัดขัดกล่าวตนเองทําให้กิเลสเบาบางและในขณะเดียวกันก็ควบคุมยับยัง้งสังวรปรับการแสดงออกมาทางกายวาจาให้เอื้อแก่สภาพความเป็นอยู่เกื้อกูลความอยู่ร่วมกันได้ดีอันเป็นอันขึ้นตรงต่อการพัฒนาชีวิตของตนเองด้วยให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งหลายเปน็นต้นนี้สําคัญนะด้านศีลเนี่ยทำไมเราต้องฝึกกายฝึกวาจาฝึกอาชีพต้องการที่จะทําให้พร้อมเป็นศีลนะเป็นศีลนะที่บอกว่า สส่วนนะเป็นสมาทานังอุ ป, ปะทารังเป็นสมาทานังก็คือเป็นฐานรองรับเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงได้ด้วยและในขณะเดียวกันก็คือว่าทําให้กายวาจาและอาชีพนั้ น, เ, นเรียบร้อยดีงามไม่เกลื่อนกล่วนไม่กระจัดกระจายโหสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือปรับกายวาจาและอาชีพให้เรียบร้อยดีงามไม่เกลื่อนกล่วนไม่กระจัดกระจายไม่ลุ่มล่าม เออคนมีศีลดูไม่รุ่มล่ามคนไม่มีศีลดูรุ่มล่ามดูไม่งดงามดูไม่สวยแต่คนมีศีน่ะดูงดงามดูสวยงามกายกับงดงามวาจาของงดงามอาชีพก็ดูงดงามเนีกายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจก็สะอาดอู้ดูไม่รุ่มล่ามดูงดงามจริงๆไงนะและในขณะเดียวกันก็คือปรับระดับปรับระดับพื้นฐานทั้งด้านกายวาจานะีและอาชีพเนี้ยมีพื้นฐานเพื่อเพื่อจะพัฒนาคุณธรรมเบื้องสูง สติปัฏฐานสมบูปัฏฐานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามีตัวกุศลศีลเป็นฐานรองรับเออเนี่ยเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงพร้อมที่พัฒนาต่อไปเออด้านศีลเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเรีว่าศีล5ศีล8ศีลสิศีล227ศีล311อันนี้เป็นการปรับปรับพฤติกรรมทางกายวาจาปรับอาชีพเพื่อจะเป็นภาชนะเป็นฐานรองรับกุศธรรมเบื้องสูงและในขณะเดียวกันก็คือทํากายเจกรรมบัญญักรรมทั้งหลายไม่เกินกนไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปด้วยความเป็นพุทธศีลไม่ เป็นแปลักษณะอย่างเงี้ยเห็นชัดไหมนี่เป็นไปลักษณะ อ, อ ะ, ะการต่อมาอีกนิดนึงก็คื อ, อด้านสุตตะสิ่งที่ได้สดับเนี่ยก็หมายถึงไอ้ <c oughs> ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้สดับเรื่องราวข่าวสารต่างๆการเล่าเรียนความรู้ที่ได้จากการศึกษาศิลปวิทยาต่างๆเหล่านี้ เกี่ยวกับการทํามาหาเลี้ยงชีพการประกอบกิจกรรมต่างๆในทั้ในโลกแม้จะเป็นสุตตะแต่ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับความเป็นอริยสาวกสรุปคือความรู้ทางโลกที่เรียนมาเป็นสุตตะไม่เป็นเป็นข้อมูลไม่เป็นแต่ไม่สามารถที่จะพัฒนาเอาความรู้เหล่านั้นพัฒนาตนเองเป็นอริยสาวกเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่เลิศได้อันนั้นไม่ใช่วิชาที่จะดับทุกข์ไม่ใช่วิชาที่จะดับกิเลสหรือลดกิเลสหรือดับทุกข์ แต่เป็นวิชาหาข้าวกินที่พวกเราไปเรียนเรียนทั้งโลกกันมาเป็นวิชาที่จะเป็นศิลปะวิทยาที่อยู่ในโลกนี้ศิลปะวิทยาการต่างๆเรียนรู้มาเพื่อจะได้การในการเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยดีต้นเว่างันไแต่ไม่เพียงพอไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยต่อการสิ้นกิเลสและกองทุกสําหรับความเป็นอยู่และกิจการทั้งหลายในโลกนี้บุคคลหนึ่งหนึ่งอาจจะมีสุตตะในศิลปะวิทยาเพียงอย่างหนึ่ง เพื่อสำหรับการดำรงชีวิตก็ได้หรืออาจจะมีสุตตะหลายๆอย่างมีข้อมูลหลายๆอย่างรู้หลายๆเรื่องก็ได้ในการที่จะเป็นเครื่องประกอบในการหาเลี้ยงชีพก็ได้แต่พึงรู้ไว้ว่าศิลปวิทยาต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์นในการที่จะทำให้เราทั้งหลายพัฒนาตนเองเป็นอริยาสาวกแต่หลักการสุตตะหรือข้อมูลเป็นสุตตวาอริยาสาวกโกเนี่ย ข้อมูลที่จะทําให้ตนเองเป็นพระอริยะเนี่ยต้องข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นต้นหลักการของสติปัฏฐานสมพปะปทานอิทิบาทเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นสุตวาริยสาวกเป็นอริยธรรมเป็นธรรมที่จะทําให้ตนเองเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นอริยะอย่างไรอันนี้ก็เดื่อสุดตางี่เป็นเรื่องใหญ่เราสมควรนะที่ต้องศึกษาที่เราเรียนรู้กันเนี่ย อันนี้ก็เพื่อตํอาแหน่งนี่ฝึกฝนพัฒนานี่เองมีใครจะสอบถามอะไรไหมมีครับอาว่าแต่เป็นนอกเดือนที่พระอาจารย์บอกว่าศรัทธาเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในในกฎในระเบียบใช่ไหมครับรนในในกฎในระเบียบจะอยากอยากจะสอบถามว่าเหตุใดทําไมถึงในเมื่อพระธรรมเนี่ยพระธรรมวินายเนี่ยมีชัดเจนอยู่แล้วแต่ทําไม พุทธศาสนาจงแยกเป็นอินทรีกับมายานหรือเริ่อใหญ่ก็คือเรื่องการเรียนข้อมูลการที่เราศึกษาหรือฟังคำสอนกันพอฟังกันมาแล้วสืบทอดกันมาถ้ามันก็มีการตีความกันมันก็มีสองทัศนะใหญ่ๆ ทัศนาหนมองเห็นว่าเราจะรักษาหลักการรูปแบบแบบแผนหลักการกติกาซึ่งสืบท อ, อดกันมาเนี่ยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะรักษาหลักการวิธีการทั้งหลายเนี่ยให้ตรงตามรูปแบบเดิมที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถในการที่จะทำได้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขส่วนอีกทัศนาหนึ่งไม่ได้เห็นแบบนี้ทัศนาหนึ่งก็มีความเห็นว่า เราจะมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามสถานการณ์ตามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็เลยกลายเป็น2มติกันขึ้นมาอั้นมติแรกมีความเชื่อมั่นว่าหลักการคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงปรปับปรุงเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้มอบความไว้ใจไว้วางใจไว้ในสัพพัญญูหรือพระุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้อยู่แล้วฉะนั้นหลักการพระพุทธเจ้าสามารถจะใช้ได้ตลอดไปธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ไม่ขึ้นกับการเวลาและสามารถที่จะประ ก, บกับปฏิบัติได้ทุกการทุกสมัยไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนอีกมตีนึงมีความเห็นว่าเอ้ยไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมไปตามตามสภาพสังคมก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการนั่นหลักการที่เปลี่ยนแปลงอะไรนี้ก็เลยกลารเป็นเรีย่ยงมหา ย, ยาส่วนหลักการที่ถือหลักการเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะรักษากฎเกณฑ์กติกาเดิมๆให้ดีที่สุดนั้นก็กลายเป็นเถรวาทก็มีแค่ ก็รักษาสืบมันก็เลยทีนี้พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันกลายเปลี่ยนใหญ่นะครับนะครโอ้โหเปลี่ยนไปอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าในเกาหลีเกาหลีใต้เกาหลีเหนือไม่ฉะก็มีการเปลี่ยนแต่ถ้าญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็น200กว่านิกายนี่แก่ขนาดนั้นในไม้การคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็กลายเป็นเปลี่ยนกันไม่หยุดนะครับนะครับมันก็ ความเห็นมันก็แตกกันออกไปเลยก็คือทิฏฐิผู้ดอีกที่คือลัทธิความเชื่อความเห็นเรื่อกยาวตรงนี้อันนี้ก็เห็นคร่าวๆตรงนี้ก่อนได้จะได้มองเห็นแต่หลักการของเราที่เราเนี้ยว่าเราไม่เปลี่ยนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นทรงผมก็ไม่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายก็ไม่เปลี่ยนความเป็นอยู่ก็ไม่เปลี่ยนก็คือจะให้เหมือนเดิมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้คาสอนเราก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักษากฎเกณฑ์จริยกาไว้รูปแบบเนี้ย นี่ 2,600 ปีแล้วก็รักษามาอย่างนี้แหละว่ามันเถอะแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะรักษาให้ดีที่สุดใครทําได้แค่ไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าจะพยายามทําให้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพอันนี้เขาเรียกว่าเทระวาด <c oughs> <c oughs> เทระวาดจริงๆอะเราไม่ได้เรียกตัวเองนะคนอื่นเขาเรียกพอเขาแยกตัวไปเขาก็มาเรียกเรา <c oughs> เราก็ไปไปมาแล้วก็ไปยอมรับเวลาเป็นนี่อ่อนยู่มือทีน เหมือนเดิมอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะต่อมาเขาแยกไปเป็นคณะกอแล้วก็เรียกเรียกเราคณะขอเ อ, เอาไอเราไม่ได้มีกอมีขอที่แรกเอาเรียกไปเรียกมาเราก็เลยไปยอมรับว่าเราเป็นขอสอันเดียวันเดียวพยาบอลเวรห ม, มีอะไรไหมอันนีถ้ถามถามท้ายท้ายด้วยอ้าวไม่มีวันนี้ก็าถามท้กยเอาเอา สงโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่แปลว่าอะไรครับคือ ต, ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ปะอ๋ อ, อจะคําว่าสงที่มีพระพุเจ้าเป็นประมุขเนี่ยหมายความว่าจากมีพระธเจ้าอยู่ก็ได้ถ้าพระพเจ้าไม่อยู่ก็ถือว่ามีพระเจ้าเป็นประมุขเพราะว่าพระธรรมวินัยเป็นประมุขธรรมะและวินัยจะเป็นาศาสตราของเธอเนี่ยแหละธรรมะวินัยนั่นแหละเป็นประมุขแล้วฉะนั้นสงเนี่ยก็หมายความว่า เป็นพระโสะดาบันสกาธานาคาพระธหารนั่นคือสองฆ์อริยะสังฆะแล้วก็รวมสมมุติสองไว้ด้วยสองที่ยังอยู่ในฐานะที่กําลังจะฝึกตนเองเป็นกัญยาณทบุรชนนก็นับเนื่องในสงฆ์ที่เป็นเศษขัดนั้นสงฆ์เหล่านี้มีพระธรรมวินัยเป็นประมุกอยู่อันนี้ก็เรื่องสองฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกตราบใดที่ยังมีพระธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติอยู่ตราบใดก็ยังชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกหรื่ตามนั้นแต่ถ้าหากว่า ไม่ปฏิบัติไม่ฝึกฝนตามพระธรรมวินัยแล้วไอ้ตรงนี้ไม่มีแล้วก็<笑><笑><笑>ว่ากันไปแต่ตอนเนี้ยเรายังมีพระพุทธเจ้าใช่ไหมหลักการเนี่ยเราถามว่าเรายังทําตามวินัยอยู่ไหมท<ำ>ําวินัยเป็นาศาสดาไม่ใช่เช่นการแต่งกายเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมเออเนี่ยนุ่งผ้ากาสาวพัดนุ่งผ้าย้อมน้าําฝาดอ่ะเนี่ยเป็นสมทรงผมอ่ ะ, มมอะก็ใช่รูปแบบ ข้อปฏิบัติระเบียบวัฒนธรรมประเพณีด้านกายสศมคีทั้งหลายที่ทำร่วมกันนี่ด้านวินัยนี่คือพระศาสดาอ่ทางด้านจิตใจแหะคือว่าฝึกในศีลในสมาธิในปัญญาในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไหมเออนี่คือธรรมะนั้นธรรมะเหล่านี้คือพระศาสดาสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะสมภารประธานอิทิบาทอินทรีย์พระโชชงคุลีมั่งฉะนั้นทําละวินัยก็เป็นพระศาสดาฉนั้นกรรมสง์มีพรทธิย่าเป็นประมุขก็อยู่ในฐานะมีพระธรรมวินัยเป็นประมุข บางแห่งเขาบอกเอาไงดีตอนนี้มันมองไม่เห็นว่ามีพระธรราเป็นประมุกอ่านิมนต์พระสงฆ์ไปด้วยอย่างเช่เราไปมีงานอย่างพรุ่งนี้เราจะไปงานกันเนี่ยอย่มีรถมารับลำจันทร์เช้าเนี่ยข้ากรุงเทพมีงานไปเขาจะพาไปโอ้งานใหญ่เขาดิ่งพอไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องมีพระพุทธรูปใช่ไหมอ่านิมนต์สงไปด้วยแล้วมีพระพุทธรูปอ้าวพระพุทธรูปเนีถือเป็นประมุกแล้วก็เลยทําพระพุทธรูปขึ้นมาให้เป็นตัวแทนเสีย ถือ่ามีพระพุทธเจ้าเป็นประม묵หมดเลยเวลาจะถวายทานเด็ดสงก็มีพระุทธเจ้าเป็นประม묵นี่ลักษณะอย่นี้ถวายเด็ดจมันนินจะมีรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งเลยก็แล้วแต่กระดานเป็นตัวแทนของสังฆาปส่วนตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือเอาพระสรุปตั้งไว้ซะเลยนี่เวลาถวายทานก็เลยเอาละถวายสงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุ묵นี่เห็นภาพซะเลยเนี่ยแต่จริงๆโดยหลักการจริงๆหมายถึงพระธรรมเป็นประมุ묵พอจะชัดตรงนี้ไหม หมดได้ยังขอหนึ่งความหมายสารณะที่กําจัดสี่อย่างอีกขออธิบายอีกรอบขอคําอธิบายครับ<อ>ที่สารณะกําจัดสี่อย่างหรื อ, รอไม่มีอธิบายครับอ๋อที่บอกว่าอธิบายความหมายคําว่าสารณะอ๋อในคำภีอภิธานท่านแสดงหมายถึงการฆ่า วัฏทะเนี่ยมายการมาฆะหมายถึงการฆากิเลสสารณะเนเบียดเบียนก็คือการฆากิเลสฆ่าราคะกําจัดความโรคกําจัดความโกรธกาจัดความหลงนั่นเป็นวัทะก็คือฆ่าแล้วก็ฆ่ากายทุกขจริตวัจจีทุจริตมโนทุจริตให้หมดสิ้นใจกระแสชีวิตด้วยฆ่าด้วยนั้นส่วนค่าห่าเนี่ยแปลว่าที่พักอาศัยสารณะ พุทธธรรมสังฆะเป็นที่พักได้ด้วยเป็นที่พักเป็นที่พึ่งพิงได้ด้วยเป็นที่อาศัยได้ด้วยคําว่าเป็นที่อาศัยก็หมายความว่าเมื่อเราไปพักหรือไปอาศัยหน้าที่นี้แล้วในพุทธธรรมะสังฆะแล้วเนี่ยจะได้ที่พักที่อาศัยที่คุ้มกันภัยได้ดีที่สุดถ้าเราไปหน้าที่พบต่างๆนะไม่ว่าจะพบภูมิไหนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปลอดภัยได้ ความแก่ความเจ็บความตายนะความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจมันตามเบียดเบียนได้หมดกิเลสตามเบียดเบียนได้หมดแต่ถ้าหากไปพักในสารนะแล้วเนี่ยพุทธธรรมาสังฆาแล้วกิเลสเหล่านี้ไม่สามารถไปไปไปจัดเป็นที่พักที่ดีที่สุดที่อาศัยที่ดีรักขิตะสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองหรือเป็นที่พึ่งได้นะ รักขิตาเนี่ยเป็นที่พึ่งเมื่อเรากําจัดราคะโทสะโมหะได้แล้วจึงได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดนี่นี่แปลว่าได้ที่พึ่งแล้วนั้นเวลาเราแปลสารณะเป็นที่พึ่งอ่ะโดยมากต้องกําจัดได้ก่อนต้องสามารถกําจัดความโลภโกรธหลงให้หมดสิ้นก่อนกําจัดทุกขติภัยอบายทุกขติวิรุปบาทนารกให้หมดสิ้นไปก่อนจึงจะเรียกว่าได้ที่พึ่ง แต่เราไปแปลคําว่าอยู่ๆก็ได้ที่พึ่งเลยทั้งๆที่เรายังไม่สามารถกําจัดราคะโทสะโมหะได้เลยเออันนี้เป็นปัญหาแล้วฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าท่านจึงเอาความหมายคําว่ากําจัดเนี่ยนะกำจัดไว้เป็นประเด็นหลักนะไว้ก่อนเมื่อกําจัดราคะโทสะโมหะกําจัดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้แล้วจึงชื่อว่าได้ที่พึ่งพิหาไริยา ส่วนรักขณะนันแปลว่าการรักษาคุ้มครองก็ในยะเดียวตรงนี้รักษาให้กระแสะชีวิตนั้นไม่ตกไปสู่อบายทุกขติวิธีวิบานกนรกรักษาไม่ให้ตกไปในสังสารวัตรคุ้มครองป้องกันไม่ให้อันตรายทั้งหลายภัยทั้งหลายแล้วก็ความเดือดร้อนทั้งหลายภัยที่เกิดจากเกิดแก่เจ็บตายภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวน้ําท่วมทั้งหลายจะไม่สามารถเบียดเบียนบุคคลที่เข้าถึงสารณะได้อย่างแท้จริง ก็เลยได้สี่ความหมายอย่างนี้พอมองเห็นเลยว่าถ้าการฆ่าฆ่าหา่ที่พักอาศัยรากิตาสินปกป้องคุ้มครองและที่พึ่งลักขนาก็คือคุ้มของคุ้มของในสารณะเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เป็นที่พึ่งสิ่งที่เบียดเบียนและขจัดออกสารณะมาจากคาว่าหิงสตีติสารณังชื่อว่าสารณะเพราะอัจจว่าเบียดเบียนเบียดเบียน เบียดเบียนก็คือเบียดเบียนทุกเบียดเบียนภัยเบียดเบียนโทษของสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากกระแสชีวิตอยากถึงสารณะไหมพอพูดอย่างนี้แล้วเออการถึงสารณะที่แท้จริงที่จริงขับเน้นโดยหลักจริงๆหมายถึงโลกุตละสารณคมเป็นสาธารณะที่สามารถเข้าถึงโลกุตละได้เข้าถึงมรรคสี่ .4 นสี่นิพพานหนึ่งนี้นะตั้งแต่โสดาพอดีมรรคเป็นต้นไปเป็นสารณะที่แท้จริงเปพอดีนะ แล้ววันนี้สมควรแกรเวลาขอโมอูลท่านไหน